ในคาถาในการกล่าวที่บอกว่านะัมโมทัสสะพระครวตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสัจเป็นต้นหรืออิติปิ โ, โสพระครวตอรหังสัมมาสัมพุธทธนะครับอันนั้นเป็นการกล่าวในการที่จะนอบนอกก้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าในการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านก็จะกล่าวในการที่พรณนาสารเสริญคุณเริ่มตั้งแต่นะัมโมทัสสะเป็นต้นนะ แม่ในบทนโมตส่าพัคกวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธสัจเป็นต้นเ่ท่านก็กนกนะบบจะกล่าวน้องน้องก็ผู้มีาาจะเรียนคําว่านาโมเนี่ยถ้าพารณาตามรัตนะ์มาลาที่ท่านจะร้อยเป็นคาถาเป็นคําสอนเร้่มาถึงว่าที่มหานามสการาคาถานะว่านาราสโพอันเอสู เบาเวสูติสปารมีนามิศิรสานิจังอุเรตวะอาทโตวรังโมขังนาโทอาคิันโตนวายังยิตตวะธารัตังโมทังวนิสุจุการัง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 ท่านราสตาผู้ทรงบำเป็นบารมีสาสิทัศนับภพบนับชาติไม่ถูกถ้าเราสืบค้นจากพระคำคีเรื่องหลายไม่ว่าจะเป็นคำคี์ในดานด้านของโสดาตกีมห า, านิทานสัมภาวิบาก ท, ที่เราจะบรรยายการป็นต้นหรือคำคี์หลังๆที่ท่านพานามาเนี่ยท่านก็พยายามสืบค้นเกี่ยวกับชีวประวัติเส้นทางในการบำเป็นบารมีของพระผู้มีพระาเจ้า ในการเป็นพระโพธิสัตว์ได้กล่าวมาแล้วบอกว่าสัตรูนี่ น, นะเขาแปลว่าผู้คล้องอยู่ในสังสารวัฏก็คือคล้องอยู่ในตาหูจมูกเล่นกายใจคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารยิ่ญยังคล้องอยู่ในกามาพบรูปประพบแล้วก็รูปปพบไม่สามารถจะออกจากสังสารวัฏได้ก็แปลว่าสัตรูก็แปลว่าผู้คล้องแต่ถ้าหากว่าศัตว์ผู้ใดหานกล้า ในการที่จะเนยศีรษะของตนเองนั้นออกจากวัตถุหมายความว่าน้อนมนํากระแสของขันปกติใ น, นกระแสของนามประามนองสัตว์ทั้งหลายแม้รูปประทามเป็นต้นน้องสัตว์ทั้งหลายก็จะติดเป็นไปอยู่กับวัตถุที่พระพุทธเจ้ า, านั้นทรงมีพระปัญญาอย่างหนึ่งที่ว่าโลโกวิชูเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกในที่นั้นก็หมายความว่ารู้แจ้งสังขารโลกรู้แจ้งสัตว์ตวเตาวโลกแล้วก็รู้แจ้งโอกาสัตว รู้แจ้งสังขารและโลกก็คื อ, อว่าโอ้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มากมายยิ่งด้วยแสนโกลจักรวาลทั้งหลายนั่นกระแสของสัพพายุตะยามของพระบรมศาสสะานั้นสามารถตรวจดูกระแสของสังสารและโลกของสัตว์ทั้งหลายอันตามด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรื อ, อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในสังสารวัฏได้ทุกกระแสครับ ฉะนั้นกระแสของสังขารและโลกก็เป็นไปอยู่เนี่ยที่นี้มีการประชุมสังขารและโลกหน้าที่ใดการสมมุติว่าสัตว์าวโลกก็มีหที่ตรงนั้นเช่นถ้าหากว่ากระแสของโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญาณไปประชุมในใบยูภุมก็เรียกว่าผู้นั้นคือสัตว์โลกถ้ามาประชุมในเปลอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์โลกเป็นต้นก็เรียกสัตว์เหล่นั้นว่าเป็นแต่ละชนิดกันนั้นันว่าสัตว์าวโลกก็มีเพราะอาศัยสังขาร ที่ประชุมกันนะที่ตรงนั้นทีนี้ถ้ามาประชุมโลกเวทนาสัญญาสังขารวิยามมาประชุมในมนุษย์มาประชุมในเทวภูมิมาประชุมในพรหมภูมิเป็นต้นเหลนี้ก็เรียกสัตว์เหล่านั้นตามพบตามภู่มดังนั้นเขาเรียกว่าสัตว์ที่ติดและที่คล่องอยู่ในสังขารนี่คือคำว่ญญาสัตว์และอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการประชุมของรลกเวทนาสัญญาสังขารวิยามไม่ว่าจะตามด้วยขันห้าขันสี่หรือขันหนึ่ง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 ภาชนะโลกอันนี้จะมาจากที่ไหนท่านจึงบอกว่านี่ไงมันเกี่ยวเนื่องกับกรรมทั้งๆที่เกิดจากบุตรจะลกก็เลยมีกรรมของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นปัจจัยในการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาเปลี่ยนว่าตายเถิดแล้วก็อยู่นี่ทําไม่คิดออกเลยไม่งอศีสะออกเลยจากสังขารและโลกสัตว์โลกแล้วก็โอกาสโลกก็เป็นนักเทศศักดิ์สิทธ แต่ถ้าหากต้องมีผู้ใดที่หานกล้าในการที่ไม่ต้องการจะคิดติดข้องอยู่ในโลกทั้งสามประการนี้ถ้าความคิดออกเมื่อไรปราถนาจะพ้นจะพ้นเป็นระดับสัมมาสัมโพธิหรือปเจกโพธิหรือสาวกตูธ อ, อันนั้นเขาเรียกว่าโพธิและมาต่อสำสว่าสัพแปลว่าสั์ผู้มีความหานกล้าหรือมีความคิดในการที่จะออกไปจาก โลกทั้งสต้องการที่จะทําให้ตัวเองนะพ้นจากควมามเป็นสัตว์ธรรมดาคือผู้ครอบการเป็นโพนิสัตสัตว์ที่คิดจะตัดสู้สัตว์ที่ปราถนาจะตัดสุขสัตว์ที่มีศรัทธ า, ทานในการที่จะออกจากสังสารวัฏเพื่อจะไปเป็นปตัดต่อสุขเราท่านทั้งหลายถามว่าเราได้บ่มเพาะวิธีชิดตรงนี้หรือยังถ้าไม่ได้บ่มเพาะวิธีชิดตรงนี้ถามบอกว่า เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกยาวนานเมื่อเราท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกยาวนานนั้นถามว่าเวลาเจ็บปวดเราก็เจ็บดแล้วอย่างยาวนานแล้วเราก็ลืมปวดเจ็บปวดแล้วก็ลืมกันไหอ ย, อย่างที่อย่างที่ได้กล่าวไว้มเมื่อตอนเช้าที่บอกว่าเราเคยเป็นมาหมดแล้วกรรมทุกย่างนี้เราทำมาหมดแล้วเหลือกรรมอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําก็คือมรรคกรรคือกรรมในการที่จะเป็นโสดาบรราาาันสกาธาคานาคาภะการกรรมเหล่านี้เรายังไม่ได้ถาเท่านั้น โลกุลกัตธรรมมรรคโลกรัตกรรมทั้งหลายยังไม่เคยเกิดขึ้นในกระเสริฐแผ่นพื้นเราทั้งหลายนั้นกรรมที่เป็นโลภิยรกรรมทั้งหลายทั้งเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นที่ไม่เคยทําที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยทีนี้ในช่วงเชา้าที่พูดในตอนนี้ว่าพระราชาผู้ทรงบาเพ็ญบารมีสามสิทัตน้ำพบนับชาดไม่ท้วนได้เสด็จมาดีแล้วหมายความว่าพระองค์ในเป็นสุขตาเป็นสุขโตนี่นะทรงเสด็จมาดีก็หมายความบอกว่า พระองค์นีเสด็จมาเพื่อจะแจกเลยสถิติประฐานสมปภิธานอภิบาลอินทร์ะละโพชงแล้ะอริยมมรคแล้วพระองค์ก็เสด็จไปดีนะพระองค์เสด็จไปเพื่อพระองค์เดินตามเอกายธรรมมาก็คือพระองค์ฉลาดเป็นมากเนี้ยทำมากที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เท้าทางทางนี้ที่บุคคลอื่นไม่ได้ไม่เขียนไม่หาไม่พบเนี่ยพระองค์ก็เท้าทางทางนี้แล้วก็เชิญชวนสัตว์ทั้งหลายบอาว่า ทางนี้สิสัตว์ทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาความบริสุทธิ์ความหมดจดท่านให้เดินมาทางนี้หมดจดจาหมดจดจากราคาโทสามโมหะจากมานะทิชีวิจิริฉายอิริการโนตสบายนุตอะจักรถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาควบริสุทธิ์จากกิเิอาสวะกิเลสทั้งหลายท่านก็ดําเนินตามทางเราให้ายถึงว่าพุทธเจ้าจะเจอจุวนี้ท่านถึงบอกใช้ทคำว่าท่านเสด็จไปดิและอย่างทางที่ท่านเสด็จไปท่านคือไปเพื่อเกิดอภิภาร แต่ว่าถ้าหากเดินตามท่านดาเนินตามปฏิปทาที่ท่านเดินแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะได้ไม่ต้องมาเจ็บในการที่จะต้องแบกขันธภาระอย่างที่พูดมาครนะับวกขันธภาระอยู่แล้แบกกันขึ้นในขณะปฏิสธิขณะเรายกขันธภาระขึ้นมาแล้วเราก็มาบริหารขันธภาระยกขันธภาระขึ้นมาเป็นเสร็จก็ต้องมาบริหารในการยืนการเดินการนั่งการนอนการคุกการเหยด จะต้องทําจิตต่างๆมากมายและมันเป็นเรื่องซ้ำซากเป็นเรื่องซ้ำซากเป็นเรื่อง จ, จําเจเป็นเรื่องจํำคนที้จะต้องมาทําันอยู่เนี่ยที่เราจะต้องมาดูแลตาผมขนเลือดปันหนัง เ, มมนนนเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามใจไตัตเป็นต้นอะไรเงี้ยมันเป็นความทรมามนเป็นความเจ็บปวดในสภาพแล้วที่มันน่าเจ็บปวดอีกอย่างก็คือเราไม่เห็นพ้นทางลหลายๆท่านไม่เห็นพ้นทา ง, ย, งายังไม่พอยังไม่พยายามที่จะมาศึกษาอุตสาห์ก็เดินตามท่าน ทีนี้ที่เมย์มาศึกษาคทางไม่เดินตามท่านเน่ยเพราะว่าศรัทธาในท่านนอยเทียที่ผลในเหตุผลในการศรัทธาในท่านน้อยก็าถือว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์นั้นนะเนี่ยพระองค์นั้นมีพระประสงค์อะไรในเราท่านนั่นหรอถ้าบอกว่าที่คําสอนว่าพันธราสภะผู้ผบำเพ็ญบารมีสามสิบท่านับพบนับชาติไม่ถ้วนสเสด็จมาดีแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอมอบนอ้อมพันธราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบเป็นนี้ เป็นนิสัยบาปมาอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าถ้าท่านเข้าใจพุทธานุสติหมายความว่าถ้าท่านตั้งศรัทธาในการตัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าตั้งศรัทธาในการจะเจริญพุทธานุสติตั้งเจตนาหรือปัญญาในการที่จะเจริญพุทธานุสติได้ถามว่าไม่มีขณะไหนที่เจริญพุทธานุสติไม่ไม่ว่าจะอยู่ในยาบุตรไหนแม้ใ่ชั้นของพระตถาาจารย์แม้ชั้นพระดีกาจารย์ท่านกา็นรับรองว่า แม่พระพุทธเจ้าบอกเราไวว่าไม่มีขนาดใดที่เจริญพุทธคุณไม่ด้นะั้นพุทธคุณนั้นเจริญได้ทุกทุกียะว่ะบุคคลที่เจริญพุทธคุณไม่ได้คือหนึ่งคนที่มีอาสติยะถึงคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่มีปัญญาคนไม่มีเจตนาในการที่จะนอบนอ้อมพระพุทธเจ้าคนที่ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่เจริญพุทธคุณไม่ได้ แก่การเจริญวุฒนคุณนั้นเจริญได้ทุกียีเดียบพระนาถทรงปราถนาโมกตธรรมสลาพระราชาโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมทั้งแว่นแครนน้อยใหญ่เหญ่ามากมายทรงรื่นรมแล้วในภัยสมในข่าวที่มองเป็นในข่าวมาเปข้าพเจ้าขออ้อนวอนน้อมไหวพระนาถาผู้กระทําสิ่งที่ทําได้ยากจริงเพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้า ถามว่าในขณะที่นอบน้อมกบรมศาสดาชิดถึงคุณของพระผู้มีพระเจ้าต้องรู้ด้วยตอนนั้นสตินร์สเป็นประธานไหมปัญญีสีเป็นประธานไหมวิเชต น, นาเป็นประธานไหมนำกลุ่มนามาทำทั้งหลายเนะี่ยนอกน้อมกับผู้มีพระเจ้าไหมถ้ากลุ่นมนามรทำที่เป็นกุศลกิจโยบายของท่านทั้งหลายกําลังนอบน้อหรือลึกถึงคุณของกบรมศ า, าสดาอยู่แม้รูปปร้นของท่านทั้งหลายที่มีหาทะย่าวัตถุเป็นต้นนะ ก็ช like ื like ่อว่าเหมือนกับเรือนทองของพระเจดีเหมือนกับองค์พระเจดีอ่ะที่บรรจุพระธรรมของพระผู้มีพระาเจ้าที่บรรจุคุณของพระผู้มีพระาเจ้าที่บรรจุคุณของพระธรรมแลวก็คุณของพริยสโ์พระรัตนตรัยกําลังปรากฏอยู่ในกระแสขันธ์ของท่านชนะขันธ์ขงท่านจึงเป็นเหมือนเจดีทองที่น่าเคารพถามว่าแล้วธรรมาเจดีคืออะไรธรรมเจดีคือสถานที่บรรจุพระธรรมเนี้ย แล้วตอนนั้นอะห้องใจของเราท no ั้นทั้งหลายกําลังบรรจุพระธรรมของพระเจ้ากําลังเระลึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วท่านไม่เรียกพระเจดีแล้วจะเรียกว่าอะไรจะถามว่าเราจะให้เจดีทองเกิดขึ้นในใจเราได้นานไหมท่านมีความรอบรู้ในการที่จะตั้งจิตให้เป็นอุปการและสมาธิในการที่จะตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดาไหมถามว่าคนที่จะตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดาได้เนี่ยก็ต้องเห็นคุณของพระบรมศาสดาดี่สุด ว่าในขณะที่เห um cinema, ็นคุณของพระบรมศาสดา์ในขณะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาน้อมเนาะเนี่ยทำมันน่าโมยนี่ก็แปลว่าเขาน้อมเนาะเขากราบว่าอยู่นิดนี้กราว่าไทยเขาใช้อะไรก่าว่ากายวรนนาคือการน้อมเนามด้วยกายเห็นไหมวจีวรนนาก็คือการน้อมน้อมด้วยวาจามโนวรนนาคือการน้อมเนามด้วยใจเมื่อใจน้อมเนาะแล้วเป็นปัจจัยแก่กายเป็นปัจจัยแก่ยวกวาจาในการที่น้อมเนาะฉะนั้น ลักษณะนั ang, ้นคือว่ากายปัญนามจีปัญนามเลวะโนบันาวปนามวนามะในที่นี้ก็แปลว่าน้อมน้องการนอบน้อมนนน้อมน้องนั้นทักนอบน้อมแบบเข้าใจจะไม่เป็นราวภาวนาถ้านอบน้อมแบบเข้าใจจะไม่เป็นพยะวันนาจะไม่เป็นบุรัจาราวันนาแต่จะเป็นอักชีบุรันาจะเป็นการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยด้วยจิตใจอย่างลึกซึ้งอย่างมีความเข้าใจ ไม่นอบน้อมด้วยศรัทธาเทียมจะเป็นการนอบน้อมด้วยศรัทธาแท้ใช่ไหมนะที่พูดถึงศรัทธาทีนี้เมื่อเช้าเมื่อตนทุกช่วงเ้าเรพูดถึงเรืองการว่าในขณะที่นอบน้อมเป็นต้นเนี่ยถามว่าปัญญาก็ดีศรัทธาก็ดีเจตนาก็ดีถามว่าเป็นขันใดเป็นสังขาระขันจำคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถ้าเกี่ยวกับสติเป็นสัาขาระขันถ้าเกี่ยวกับสัญญาเป็นสัญญาขาัน จิตมีความสุขเอื้อิ่เกิดปีติเกิดโสมนัสเกิดความสุขนั้นเป็นเวทนาขันธ์ในขณะที่จิตใจก็ปรุงแต่งในการที่เห็นคุณของพระบรมศาสตร์สดาเกิด ค, ความปีติปราโมทตลอดที่สภาวะที่ปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์กลวิญญาณขันธ์เป็นใหญ่เป็นประธานจุด ม, ามาโนโปุพังละมาดมามโนเซธามโนมายะนัใจเป็นใจในที่โนั้นถาว่าใจอะไร ถ้าใจเป็นกุศลกุศลจิตต์ตันั้นตัวมโนวิญญาณนแหละเป็นใหญ่เป็นวิญญาณอาคารให้วิญญาณอาคารเหล่านั้นนี่แหละเป็นใหญ่เป็นตัวน้อเป็นใหญ่ของสภาวะของธรรมทั้งหลายธรรมก็คือเวทนาขสัญญาขันธ์นั่นขั์นั้นนั้นเหล่านั้นนี้ใจเป็นใหญ่ถ้าใจปฏิปุสไลายอันนั้นโธสักเป็นใหญ่ก็คือจิที่เป็นโัวสักเป็นใหญ่แต่ถ้าใจที่เป็นไปกับศรัทธาที่เป็นไปกับเจตนา เป็นไปกับปัญญาในการนอกน้อมบุญบุญเจ้าอันนั้นเป็นกุศลจิตวิบากเป็นใหญมหากุศลและจิตเป็นนะตรงนี้ไงเพื่อใจเป็นใหญ่ใจนั้นก็อยู่ในฐานาเป็นประธานของทำทั้งหลายทำทั้งหลายในที่นั้นก็กลุ่ม ง, งานประธา ท, ท, ที่เป็นเวทนาทสัญญาขานและวก็สังขารขับทีนี้ในขณะที่นอกน้อม เ, เสร็จเสรถามว่าในขณะที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะยังเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นในการนอกน้อะ การเข้าใจในพื้นฐานพื้นต้นนั้นเป็นสัตว์บุคคลผู้นอกน้อมอยู่อ๋อเราหญิงผู้นั้นกําลังนอบน้อมอยู่ชายผู้นั้นกําลังนอกน้อมอยู่เด็กผู้นั้นกําลังนอกน้อมเพราะอารมศาสดาอยู่ว่าหนุ่มผู้นั้นกําลังนอกน้อมเพราะอารมศาสดาอยู่หรือผู้ที่สูงอายุผู้นั้นกําลังนอกน้อมเพราะอารมศาสดาอยู่เป็นต้นความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลกําลังนอกน้อมอยู่ แต่เมื่อการนอกน้อมเป็นไปด้วยการศึกษาเรียนรู้ฟังพระธรรมมากข้นพระธรรมก็จะเริ่มขัดเปลากระแสของนามธรรมโดยประธรรมของท่านเหล่านั้นนะฮะทำให้นามธรําของท่านเหล่านั้นน่ะเริ่มของใสเริ่มสะอาดเกิดจากอะไรเกิดจากสัจทินรีย์ที่ไี้กล่าวไว้ฉะนั้นเมื่อสัจทินรีย์ตั้งไว้ในคุณของพระบระิศาสดาตัวสัจทินรีย์นั้นน่ะก็เป็นสภาวะทีท่ผ่องใสดังที่พระยามิรินถามพระนาประเกษตร พนะก็บอกขอถวายพระกรนนะศรัทธามีลักษณะของใสเป็นลักษณะที่นี้ลักษณะของใสเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะจิตของสัตตินีก็ถือว่ามีการกําจัดกําจัดความขุ่นมัวความขุ่นมัวของใจก็คือเป็นชื่อของถามว่าใจขี้ขุ่นมัวเพราะอำนาจของกาลวันท้พยาบาทีนะพิทาอุทะจักภูปุจาและก็วิจิกิจฉา ให้ความรังเียลสงสยัยมิตรต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยทําให้จิตใจนั้นคุนโมเป็นจิตใจนั้นอึดอาดเป็นจิตใจนั้นไม่คล่องแคล่วในกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้ถ้าสภาวะของสตินีเกิดขึ้นในขณะนั้นท่านผู้นั้นกําลังรงละลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นอยู่ในขณะที่ระ ล, ลึกถึงคุณพระบรมศาสดาอยู่นั้นนะนะจากที่กระแสจิต ท, ที่เป็นศรัทธาแท้ไม่ใช่เป็นศรัทธาเทียม เพราะศรัทธาเทียมงมงายในแก่มิจฉาทิโมกมิจฉาทิโมกมันเป็นอัจฉริยะสิตที่เกิดร่วมกันกับอสุนจิตุบุบาทฉะนั้นมิจฉาทิโมกในเวลามันเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปด้วยการตัดใจและก็น้องใจที่จะเชื่อมันแต่มันมีตัณหาเกิดร่วมมันมีอสุนรธรรมะราว่าเป็นต้นเกิดร่วมในที่สุดจริงๆแล้วศรัทธานัมันก็เป็นตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดพาด พอไปตั้งไว้นี่วัตถุที่ผิดพาดก็ไปตั้งในเกี่ยวกับปุรณะคําสอนของปุรณะกสปมะมคคิีิโคสาระชิตาเกสกัปโณสัญชยัยเว้แล้วพ่อปุถุปะปุถากัจจยนะนิครนนะแต่โดยเป็นต้นถ้าไปตั้งไว้ในคําสอนที่ผิดๆเหล่านั้นซึ่งเป็นคําสอนที่มีอยู่คู่โลกเป็นคําสอนที่มีอยู่ประจําโลกท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ในที่เนี้ยเคยเป็นผู้มีความเห็นผิดแบบนั้น แต่ด้วยความที่ไม่ฝังแน่นมันก็ยังหลุดออกมาได้แต่เชื่อไหมว่าไอเชื่อเก่ามันยังมีอยู่ถ้าตราบใจเน่ยเราไม่รีบเร่งเพี้ยนพยายามในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นโดยความขมาขามื่นหรือด้วยความบาปฝ่าในที่สุดจริงๆเมื่อเรากลับกลายไปเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าและก็ทําพระเรยสเราก็น่าอัศจรมย์น่าสนใจเลยถึบอกว่าเมื่อเช้าทุกบอกว่าท่านทั้งหลายว่าบุคคลที่น่าจะดูาที่สุดคือเรา ไม่ใช่ใครนั้นควรจะเจริญกรุลนัยตนเองให้มากเว่าในสัมสภาวะที่ผ่านมาตนเองเนี่ยแล้วหกแลเหินมาอย่างยาวไกลแล้วผู้ที่เดินทางไกลทั้งหลายแล้วก็ไล่จุดหมายแล้วก็ไม่รู้จะไปจบนาที่ตรงไหนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่นา่ากลัวถ้าตราบใดเราท่านทั้งหลายยังมีสัพพินสีแค่เนี้ยมีวิริยินสีแค่เนี้ย มีสตินซีสมาตินซีและปัญญีแค่ที่เป็นอยู่เนี่ยหรือมีอิทธิบาสถึงไหมฉันทิธิบาทวิยิทธิบาทจิตติธิบาทวิมังสิธิบาทแค่เนี้ทําไมขั้นเหล่านั้นถึงบอกว่าเนื้อและเลือดจงแห้งเหือยหายไปเถิดจะเหลือแต่หนังเย็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่บรรลุสิทธิที่เป็นอปีติเราจะไม่เลิกล้มความเที่ย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 เอาขันท่าอายตนะไปตั้งไว้ในคําสอนของภูรณาการสปากเป็นต้นเมื่อไปตั้งไว้ในคําสอนที่ผิดๆขันท่าอายตนะมันก็เดินทางผิดและมันผิดมานานแล้วมันผิดมานานแล้วล่องผิดมันลึกเดี๋ยวมันก็คิดไปคิดไปมันก็ไปตกล่องเดิมคิดไปคิดไปมันก็ไปตกล่องเดิมนั่นแหละและมันจนทุกวันนี้หลายๆท่าน ไม่อยากจะเกลียดจะคลายออกร่องนั่นเลยอันนี้คือปัญหาไนะว่าเราจะออกกับมันยังไงที่บางที่เนี่ยแค่เราไปเห็นเราก็ชอบไม่รู้จะชอบอยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่บางที่ไปเกิดโทมานัตนันก็เกิดอย่างนู้นนั่นเกิดได้ยังไงถ้าไม่เกี่ยวกับสังสาร ล, ละถ้าบางโลกเนี่ยบางแห่งท่านไปเจริญกรรมฐาน ไ, ไม่ได้ไเลยนีกรรมคุณิเล่น ง, งานท่านจะตายนะ ไม่เกี่ยวอะไรทําไมชัยภูมิบางชัยภูมิจึงเหมาะแก่การเจริญสี่ประธานบางที่ไม่เหมาะกิการเจริญสี่ประานมันก็เขเียนว่ามันไม่เหมาะกันเลยว่าผู้ที่ฉลาดในชัยภูมิต้องระดับพระบรมศาสด า, ศาไม่ใช่ระดับพวกเราพวกเรานะี่ยคือคนบอดเนะี่ยใช่ไหมนะบอดด้วยคือไม่เห็นทางของพระเจ้าเป็นใบด้วยแทนที่จะเอา คำพูดไปกล่าวพระธรรมของพระเยาเาไปกล่าวนี่ชาววจานี้เยเป็ น, นป้ายไหมหมู่นวลเลยไม่ได้ยินเสียงพระธรรมของพระรมศาสดาที่อุบัติมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วในสังสารวัเพ้าถามพระเจ้ามาเอายี่สิบสองขายเนี่ยห้าแสนยหม่นสองพันยี่สิบแปดพระองค์แล้วแล้วเราไปอยู่ไหนกันเราไปอยู่ไหนต้องถามตัวเองที ว่าไปอยู่ไหนไปทําอะไรเป็นโมบชงอยู่ที่ไหนการตัดสู้ของพระเจ้าหรือไปเข้าสมาบัติอยู่ที <c oughs> ่มันพระเจ้าตัดสู้ก็ไม่สะดือนถึงใช่ไหมพระเจ้าออกบวชตัดพระเจ้าประสูตธก็ไม่ถึงตัดสู้ก็ไม่ถึงสแสดงธรรมจักก็ไม่ถึงองค์พระชนมายุสงการก็สเสดืนสดสอนสงการยู่ไม่รู้ตอนนี้ทานี่ยมันไม่อยู่ไหน เดียวพระธาตุก็จะมาประชุมสองครั้งต่อปีเราอย่าใช้คําบอกฟาวโฟฟาวกันบ่อยๆนเะสียหายใช่ไหมเมื่อไรก็ไม่ได้เจาทีเมื่อไรก็ไม่ได้เจ้าทีน้ากรุณานหน้ากรุณาัปถ้ารู้ว่าน่ากรุณาต่อไปจะได้เป็นเรื่องขัดกลาต่อไปต่อไปจะได้สอนลูกให้น้อยลงบางทีผมเนี่ยลูกทําไม่ดีต้องอะไรต้องขัดกลาร์ไปเรื่อยะ เหตการฟังธรรมคือการปฏิบัติธรรมลองสังเกตในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาท่านที่บรรลุเพราะการฟังธรรมมากสุดมาจากกระวัตนสูตรท่านัญญาโกนัญญาได้ดึนดันทำครบสิบแปดโหมดไม่นับเทวดาแต่พวกเราไม่ได้เห็นไหอันนี้ผมบอกถึงว่าเขาฟังธรรมแล้ว็ขาบรรลุแสดงว่าเขาฟังแล้วก็ได้พลงโมทีติประสิทธิความสุดก็เหมือนกับที่วักพรทศานสาธายกทและท่านบรลุ ในสมัมุทธ์ดูในคดีสมดัมยุททานศาายไปสาจยายไปแล้วท่านได้แบบฉะนั้นนตรงนี้เรียก ว, ว่าบูชาพระพุทธเจ้าคว่าน้โมท่านอบน้อการนอน้อมตรงนั้นเป็นกุศลเมันคำว่าตัดสานี่ไม่ไคําว่าตัดสามุรมหายานุอุเปเโพธิมังกรตัสามุทสาปาเจา สะโพเดยโยมามิหังบอกพระบรมศาสดาพระผู้มีภาคเจ้าผู้มีพระญานันยิ่งใหญ่สเสด็จเข้าไปใกล้โคงไม้โพธิพุทธข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระพบรมศา ส, สดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งโพธิพขึ้นนะั้นด้วยถามว่าเวลาไปที่ต้นพระสีหมาโพถามเราคิดเออเราดันหลายเชืเอ่อแต่มาพูดค่อนข้างจะ เลยหลายครั้งแล้บอกว่าถ้าแท่นวัชร ะ, ะอ่านพื้นแผ่นดินที่ตรงนั้นเวลาโลกจะก่อเทือกขึ้นมาโลกก็จะตั้งพื้นแผ่นดินตรงนี้ขึ้นมาก่อเพื่อไว้รองรับพระมหาบุรุษเอกของโลกที่จะมานั่งประทับกษัตริยรูปแม้ในคราวนี้โลกนี้จะแตกสลายใช่ไจะวิ บ, บัากวิจะหัยไปดินนะ้ํา ดินน้ำไฟลมที่ประชมุมอยู่ที่ตรงนะี้จะถูกไฟถูกน้ำถูกลมทําลายเป็นชิ้นสุดท้ายท่านถึงบอกว่าดินน้ําไฟเป็นต้นอะไรลมเป็นต้นอะไรที่จะมาทําลายสถานที่ตรงนี้ไม่มีใจยังรู้จักหลีกหลบในการที่จะพมรมาศถึงแม้จะทําลายสิ่งตรงนี้ให้เป็นไปตามกฎของคําว่านิจกรรลูกหางเลยนะจ๊ะ ก็ยังทำลายจุดอื่นมาก่อนแล้วก็มาทำลายที่ตรงนี้ทีหลังเราท่านทั้งหลายที่มีจิตใจเยอมันไปไปมืดมาตั้งแต่เมื่อไรทไมเราไม่เห็นคุณของท่านเพราะพระบรมศาสดามานั่งประทับตรัสรู้ที่ตรงนี้โพธิมณฑลหรือโพธิบาลังเลยนะสถานที่ที่พระองค์ประชุมโพธิปักเทียธรรมคือสถิติฐานสมณประธานอิธิบาทอิศิรพราโคชมแล้วก็เฮียมะ ที่ตรงนี้ควรไปดูควรไปแรควรไปคิดคืออะไรก็คือควรไปแรแรควรไปดูควรไปคิดว่าบารมีสามสิทธัสที่พระองค์ทรงบ่งเพาะมาอย่างยาวไกลเนี่ยยี่สิบสี่สิทหรือแปดสิททั้งหลายเนี่ยกว่าจะมาประชุมโพธิปัจจียธรรมเนี่ยต้องแบกความทุ ข, ของสัตว์โลกมาอย่างยาวไกลเพื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเห็นพระคุณของท่าน เห็นภาพะมะหากรุณาที่คุณที่ท่านอยู่ในห้องใจที่ยิ่งใหญ่ของท่านหรือไม่อะไรปิดบังสัตตินีเราอะไรปิดบังปัญญีนีแล้วของเราอะไรปิดบังทําให้เราไม่เห็นคุณของพระบ ร, รมศาสดาอะไรปิดบังทําให้เราไม่เห็นโทษของสังสารวัฏการเห็นคุณของพระพูทมีพระเจ้าน้อยก็เห็นโทษของสังสารวัฏถน้อยถ้าเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามาก ก็จะเห็นโทดของสังสารวัฏมากมันอยู่ที่ปริมาณศรัทธามากปัญญาไม่ามเพราะตัวเห็นการที่จะไปรู้คุณของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีศรัทธานำเนี่ยจะต้องมีศรัทธาสัจจินรียนำที่โดยการที่เราเลี้ยงสัจจินรียไม่ดีเลยในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยสัจจินรีของเราท่านทั้งหลายห่อนเอมากหลายๆท่านเนี่ยฟังพุทธคุณนานๆไม่ได้เหมือนใจกระหักดังนั้นที่ แต่ถ้าไปฟังเรื่องวัตถุกรรมฟังใน้ทั้งวันนะอันนั้นบ่งบอกอะไรรู้ไหมบ่งบอกว่าวิธีคิดของเราเนี่ยที่ไม่ค่อยตามคติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่มนยมันหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเวลาเราจะคิดถึงคุณของพระบรมาศาสดาคิดนิดนหน่อยหน่อยแล้วอึดขับแต่ถ้าไปคิดในเรื่องการประคุณถ้าคุยเรื่องคุณของพระบรมาศาสดาคุยกันได้ปรเดี๋ยวปะเดีย๋ยแต่ถ้าไปคุยเรื่องขวัตถุกรรมคุยกนแต่เช้าเย็นจ เดี๋ยวพรนี้ต่อมอาทีเนี้อันนี้บ่งบอกถนะึงอะไรบ่งบอกว่าตอนนี้ใจเรามัน ไ, ไ่เรื่องวอดตกาเยอะแล้วแล้วเราก็บอกว่าต้องเตือนตัวเองว่าตอนนี้คุณเริ่มเดียการตึงตอของวัตถาแล้วถ้าคิดอย่างนี้ยุณจะถอนออกจากวัตถา น, นี้ไปแล้วฉะนั้นพระปรมศาสาวเจาดผู้มีปัญาณ น, นี่ยิ่งใหญ่เสด็จเข้าไปใกล้ควงม้โพธิพุธ ข้าพเจ้าขอมอบไหว้ข้าบาทของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นพรน้อมทห้งโพธิคึกนะคาว่าโพธิเป็นยิน่หหมายในการตัดสรุรุตราสมาแลโิยาณของพระบรมศาสดาต้นไม้อะไรถ้าหาพระบรมศาสดาไปนั่งแะได้ตัดสรุต้นไม้ตน้นนั้นจะเรียกว่าพุทเพราะเป็นเหในการตัดสรุของพระรพุทธเจ้าประการต่อมาคือพควโตมันจะกลาว่าภควอาคมะเทนะ ปัญจมาเรีอาสโทอันชิตวานสิกาปโตสปัลังกังมนมามิตังพรบผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะม า, าทรทั้งห้าพร้อมทั้งกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอาดาตมกยานแล้วเขาเ้าไปล่วนมุตราสัมมาสัมโพธิยาเข้าไปเจ้าขอน้อมไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโคธิบัลังนะ พระบรมศาสาดานชนะขันธมารแล้วชนะกิเลสมารเออทโยปุตมารอภิสังขารมารแล้วอมัดติมารถามว่าโดยเฉพาะว่าชนะกิเลสมารก็คือราคาโัสามโมหะใช่ไหมที่บริเวณโพธิมณฑล้วพรนะองค์ก็ดำเนินอาราธมาอาราธนาผมที่เกิดขึ้นในกระแสขันของพระองค์ได้เ็สร็จที่บอกบารมีของพระองค์เต็มนั้นน่ะที่เป็นเหตุแห่งบรมธรรม ปรมาถรามก็คือการดักรุนรุตระสัมมาสมัสมปวิยานขอพระองค์ใช่ไหมคำว่าสัมมาสัมปธิที่ือพระองค์ได้สัพพัญญตญาณเนี่ยสัพพั ญ, ญตญาณ น, นั้นเป็นชื่อของหากริยาญาณ น, นะสัมมิทีนี้สัพพัญญตญาณกล่าวคือหากริยาญาณ น, นสัพพัญจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอาราผลเป็นปัจจัยอาราธพนจะมีอราราธมเป็นปัจจัย้ทีนี้อาราธมักนั้นก็มีพวกกลุ่มวิปัสสนาญาณทั้งหลายเป็นปัจจัย วิปัสสนาญเหล่านั้นก็มีสมาธิเป็นปัใจใจัยเป็นเจ้าหล่หานี้ก็เดินไปตามสายไปตามจากสมาธิก็มีความสุขเป็นปัจจัยความส like ุขก็มีปัสสทธิเป็นปัจจัยปัสทธิก็มีปีติเป็นปัจจัยปีติก็มีปราโมทเป็นปัจจัยปราโมทก็มีอวิปปิสานวิปปิสานก็มีกุศลและศีลทั้งหลายเป็นปัจจัยนีทีนี้ศีลเป็นปัจจัยแก่ความอาวิปปิสานี่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เป็นปัจจัยกับปราโมท ราโมดเเป็นปัจจัยแก่ปีจิปีิเป็นป like um like ัจจัยแก่ป like ัสสพิปัสสีิเป็นปัจจัยความสุขความสุขก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ยถาบุถยานัตสนายะถาปุถยานัตสนะก็เป็นปัจจัยแก่นิพิชาวิราคะิราคะเป็นชื่ของมรรคโดยเฉพาะอาหาธาธรรมะอันนี้หมายถึงสุุดรมะก็เป็นปัจจัยแก่ผลผลก็เป็นปัจจัยแก่สัจเวยนะสจวะก็เป็นปัจจัยแก่สัพพัญญาปุญญมญาณัส ถ้าเรามองในลักษณะนี้เราเห็นอะไรเข็นเส้นทางการตารัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการกําจัดอะไรกําจัดกิเลสมารแล้ว่อกําจัดกิเลสมารได้แล้วชื่อว่ากําจัดอภิสังขารมารคือเจตนาทั้งหลายที่พระองค์เคยทํากรรมมายิ่งกว่า20ผสมข่ายแสนกลับทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่20ะสมข่ายยี่สิบแสนกลับ โดยมากเป็นไปกับการบ่มบารมีสามสิทครั้งและก็เริ่มอุกเบิกขึ้นมาเรื่อยๆตามลาดับจนในที่สุดบารมีเหล่านั้นเต็มถามบอกว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถามว่าถ้าจะให้ผลให้แก่ขันเนี่ยปริมาณของบุญนั้นจับมากเพียร์ถามว่าเอาโลกมากรองสักแสนใบยังยังน้อยกว่ายังน้อยกว่าบุญของพระโพธิสัตว์ที่ทำไว้ของพระพุทธเจ้าที่ทำไว้ นั้ปริมาณของถามว่าท right. me. like like like ี่เรามองเห็นเห็นท่านทั้งหลายมองเห็นกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ยัพอร์ทิสซาทั้งหลายนำบูชาคุณพระพุทธเจ้าหมดแล้วนั้นท่านบูชาโดยวัตถุทานท่านบูชาเครื่องหมดพบทุกพบท่านเอาบูชาคุณพระพุทธเจ้าหมดทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในพบทั้งสิ้นเอาบูชาคุณพระพุทธเจ้าหมดดอกไม้นานาพันธ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกทั้งสิ้นในจักรวาลทั้งสิ้นถ้าเราบูชาคุณของพระบรมศาสดาหมดแล้ว เพชรนินจินดาทั้งหลายที่ดีอยู่ของของทั้งหลายตลอดถึงของเชี่ยวของจินของบริโภคทั้งหลายที่ดีอยู่ในโลกทั้ง splash, สิ้นท่านนาไปบูชาคุณของพระบรมศาสดาเพื่อเป็นปัจจัยใกิการตัดสนุกพรมมาของพุทเจ้าท่านนำบูชาอาสาทนายันบอกของพระพุทธเจ้าได้เครี่ยนเลยนะแค่ไปมาณเห็งคุณที่ท่านมาท่านมาแค่พารณาก็มี Sergeant ที่ท่านเป็นพารานาบอกว่ามีปากร้อยปากมีลิ้นร้อยลิ้นแต่ละลิ้นก็ไม่ได้ทำกิจอะไรอย่างอู่นเลยทำกิจในการสารเสวนคุณงูงพื่เจ้ากลับนี้สิ้นไปเนยคุณงูเพระเจ้าก็ไม่หมดเอาเพื่เจ้าไปกันเนี่ยมาสรเสวนคุณงูเพื่เจ้ากลับนี้สิ้นไปเนี่ยคุณงูเพื่เจ้าก็ไม่หมดอันนั้นเน่ยต้องคิดให้เป็นเดี๋ยวคิดไว้เป็นเป็นมาเยมันจะได้แค่ตัวเลขอัถาไม่ถึงเพราะอาฐาไม่ถึงก็มองเป็นไปได้หใช่ไหม มันก็เหมือนบอกว่าก็เหมือนกรณีที่ที่ในคำนองว่าเราเรามีความสามารถอยู่เพียงแค่แต่เราก็คิดว่ามันน่าจะได้มีแค่นีน้ทั้งหมดแท้จรงิงสิ่งต่งางๆเกินกว่าปัญ ญ, ญาของเราได้ทั้งหลายเสียทีนั้ น, นตรง น, นี้จึงบอกว่าพระุทธเจ้าปรกําจัดกํกจาจัดเจตนาปฏิสังขาระมาะทั้งหลายเพราะว่าผลบุญเหล่านั้นหลั่งไหลามาอิกให้รู้กี่แต่ชาติผลบุญเหล่านั้นก็ไม่หมดแต่พระองค์ก็ ทิ้งหทิ้งเจตนากรรมหมดนั้นห ม, มเเดเลยแล้วผลที่ประเด็นจะได้รับหมดเลยเห็นไหมว่าจะได้เห็นชัดว่ามารเนี่ยท่านถึงสลักฐานให้กมารให้พยา ม, มารได้ทราบว่าหนึ่งตถาคตตรัสรู้มารไม่ใช่เพื่อสักการะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่ออาหารตผลที่มีพระนิพพานเป็นรมณ์เห็น ไ, ไหม ไม่ใช่เพื่อตัวสรรพยุติยานตรงนี้แต่นั้นไม่ใช่เป้าสูงสุดนะจะสูงสุดจริงๆเพื่ออนุปาคาปริปทานคือการตัดตัวที่มีเส่วนเหลือแต่พระตถาคตมีพระมหากริญญาที่ขุณเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็จะน้อมบุคคลอื่นสัตว์อืที่ตัดสรู้ตามเด้วยฉะนั้นพระองค์จริงกําจัดมารทั้งห้ามีขันธ์ทัเนีารไหก็กําจัดเรียบร้อยพระองค์ไม่ต้องไปแบกรับขันธ้งมานขันธ์ทั้งาระแล้ว ฉะนั้นที่ท่านใช้คาว่าสัมารสวิบากที่เราจะศึกษากันเนี่ยมันเป็นภาระจริงๆถ้าใครจะปราณนายิ่งใหญ่ใยิ่งใหญ่หลวงพ่เนี่ยเป็นภาชะอย่างโมโหสารอย่างมโหราถ้าจะตัดสู้เองเนี่ยง่ายในในใ น, ในทัศนคติของท่านไม่ยากเพราะท่านนั้นเป็นผู้มีอิสีอิสีแข็งแรงหนึ่งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของท่านเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรง ไม่ใช่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมดาเหมือนเราท่นั่นแหลเพราะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่ถูกบ่มถูกเพาะถูกเลี้ยงมาอยา่างดีก็แปลว่าถ้าเป็นโคเป็นวัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครหรือเป็นวัวธรรมดามันเป็นโครหรือเป็นวัวอุศุภะและก็พัน์ของเขาก็เป็นพันุ์ของโคอุศุพะเวลาลูกเขาเกิดมาเนี่ย เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านฐานะเป็นภิกษุเป็นอุบาสกุลเป็นวาสอุบาสิกาเนี่ยอันนี้ถือว่าเราเนี่ยเป็นลูกทันโคอุสุภะศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาของเราก็ น, นี้แต่เราเนี่ยเอาลูกโคอุสุภะหรือศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาไปเลี้ยงคนกับโคเชือ่อโคตุนเนี่ย โคที่เขาเลี้ยงขายเลี้ยงนึมันก็เลยไปเสพติดวิธีคิดมันเลยกลายเป็นศรัทธาอย่างต่ำวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างต่ำแล้วเดียวเนี้มันจะแก่ยงกังไงเราไม่รู้ใช่ไหมวิธีเขาจะเลี้ยงลูกโคอุสศภเขาต้อ ง, าง้ากนอกจากแม่ต้องทากนอนจากพ่อของโคที่มันไม่ใช่ไม่ใช่โคที่มันเป็นโคเลี้ยง แล้วามาเลี้ยงต่างหากแล้วต้องมาให้อาหารมันอย่างดีต้องบำรุงมันอย่างดีต้องดูแลพอเมันอย่างดีแล้วตอนนี้ท่านทั้งหลายน่ะดึงศรัทธาออกมาหรื อ, อยังจากวัตถุกรรมหรื อ, อยังดึงวุริยะสติสมาธิปัญญาออกจากวัตถุกรรมหรื อ, อยังถ้าดึงออกมาแล้วก็เลี้ยงมันให้ดีให้อาหารมันให้ถูกอาหารของสัตว์ที่ซีบียังไงให้ได้จะไปให้แบบเดิม ถ้าให้กับนเดิมมันก็เอาสัจชาไปไประกอบอาชีพการงานแล้วก็จมอยู่ในวัฏจักรนี่แหละถ้าให้อย่างเดิมมันก็ความเพียนที่เกี่ยวกันนั่นแหละเพียนในการถูบ้างเพียนในการซักรีดบ้างเพียนในการที่ไปนั่งเถียงกันบ้างอะไรบ้างมันก็อยู่ใ น, นวันๆไม่ีอะไรหรอกนะนั่งเข้านั่เขนะ้าเถียงกันเหนือยแล้วเข้าไปนอนใช่ไหมแล้วเบสเกิลมากินต่อแล้วประชูอย่างนั้นนหะเมื่อวานาวนาราเขาสอนธามาครับผมว่า ไม่เคยเจ็บปวดกันบางปวดกันมากันนานแล้วนะกินข้าวองเจชาวบ้านเป็นไส้จะขาดไปอยู่แล้วเนะี่ยมันได้เห็นมรรคอะไรสัมกมรรคบ้างไหมเนี่ยท่านกอกว่าตกสด่งอยู่ท่านอาจารย์าพอก็กินถา่ากินถา่ามีอะไรมากกว่านั้นในชีวิต ประตูก็ประตูห้องนั้นที่เข้าไปถ่ายถ่าวมาตว่ไปอาบน้ำห้องไปห้องนั้นที่เป็นชั้นท่าไปนอนนอนก็วนนอยู่ที่ชีวิตเนี่ยแ้วเดก็มาเรียนธรรมะใช่ก็บอกครับี่คือมาเรียนธรรมะเบสิกก็ไปลีนบาตรได้หายมาเพราฉันฉันเบสิกก็ล้างบาตรล้างบาไปเบสิกก็รอบาแห้งกปิดบาต่อมก็มาดูตาราแล้วก็มาไข้คน ถ้าคนไมยังไม่บรรลุเคยเบื่อไหมถามว่าไอจะออกไปเป็นคารวาสก็ไปไม่ได้แล้วเพราะใจไม่เอาแล้วใช่ไหมใจไม่เอาแล้วมาทําำๆก็ยังไม่บรรลุนะยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุยังไม่แจ้งในธรรมที่นียังไม่แจ้ง ยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงก็คือสวดามีมาที่ไม่ถึงบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุสวดามีหัวที่ไม่บรลรลุทำไม่แจ้งธรรมที่ยังัำไม่แจ้งคืทิพยของพระสดาบมามี้นก็ยังไม่เหนฉะนั้นปริมาณศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญาออนแขงท่านงพิถ้าไม่เริ่เดี๋ยวท่านก็จะต้องกลับมาสะพายบาทร <ul> แล้วก็จะ้อไปมีบาตเด้่ยแล้วก็จะต้องไปนั่งฉันใช่ไ เพอเผลอไปทำผิดขึ้นมาตกต่ำอีกลำบากอีกสังอารวัฏจะเจ็บปวดอย่างเงี้ยมาชาตินี้ดูดูเหมือนมีคนกราบคนไหวไปอีกชาติานึงไงกลาเป็นเราเลยที่ตกต่ำกว่าเดิมอีกลำลายออมาไปในในรอบจีวรนขวนเต็มหมดมาอมาสะดุ้โอ้โีจีวนแขวนขว เล็เข้ารังกาเล็กอ่อนเลยว่กันให้พูดให้ออมาจะต้องเยอะเลย่ขนาดนักบอกวจะไปท่ากึืนนี่นี่ปลาใหญ่อลไรโ้น่ากวน่ากลเห็นไหอมาเลยบอกยอมอีกคนก็มาถามมาแล้วบอก่าบอกว่ายอมเห็นแต่ที่มียนท่ามีเมย์ท่าท่าโ แต่ที่ภาคบ้านนั้นกินกีบวันอย่างนี้เพราะท้องน้ำหมดมีน้อยวันกะาะวาเยอมากเหมคือว่าพระหรือกะลวาใช่ไหมทากิดตานั้น่าไม่เงียบใช่ไมช่ไหมไม่ใช่นายเย่บางบอกโอกกุญแวดมานานไม่กล้าไม่คิดมาก็จะไปเดี๋พ่อพงษ์ท่านก็เล่นกันที่นะนี่คือวันเกิดผฉะนั้นสังสารวัตรตรงนี้เป็นคุกจริงจริงเาเรียกว่าคุกในสังสารวาต พระเจ้าว่าศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาเราให้อาหารเขได้ถูกต้องแล้วก็ให้ยันต่อเนื่องในสุจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอินใจนั่นเป็นกายเป็นมีกำลังแล้วเพราะศรัทธาเนี่ยมีกําลังเนี่ยมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อันหาวิญญาณมีกําลังมันจะเป็นปฏิบักษต่อโกรศชาคือความเบียดคา้านในการที่จะเหนื่อยหน่ายในการที่ไม่ไ ม, ไม่มีศึกษาว่าทำอะไปฏิบัติรทำนี่ ถ้าสตินั้นมีกําลังนั้นก็จะเป็นปฏิบัติต่อพุทธสติการหลงลืมถ้ า, าสมาธิมีกําลังก็เป็นปฏิบัติต่อแรงวิเขปะวิเขปาก็ือความฟุ้งซ่านถ้าสติถ้าปัญญีสีมีกําลังก็จะเป็นปฏิบัติต่อกลุ่มสามโมหะทั้งหลายกลุ่มความหลงทั้งหลายนะี่นเราต้องทํานะในวัดที่ในตอนที่สองท่าบอกคันตวามุนีวโรูตัมหา อานิมิเสวราสเสนีข้าคัเนปุณจันโดวาศาณิมิสังนัมมามิตังพระจอมมุนีเสด็จจากโพธิพุทแล้วเสด็จประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐด้วยพระเนศที่ไม่กระพิบพเปรียบดังพระจังเพนบนทออน้องฟ้าข้าพเจ้าขอนอหน้อมพระจอมุนีพระองค์นั้นหน่อมณสถานที่ที่ประทับยืนที่ไม่กระพริบมเนศนะั้น โดยความบริรุณนี่คือพระบรมศาสดาหลังายตัดระลุมุตราสมมาสและปุิญาณแล้วอยู่ต่อมาในสัปดาต่อมาเนี่ยพระองค์ก็มายืนที่อนิมิตเจดีคือการกินิ้งต้นพระศรีมหาโพลเจวันแม่กัพิบันธเนี่ยการแม่กับพิพันธ์ของพระบรมศาสดาในครั้งนั้นถามว่าพระบรมศาสดากําลังคิดอะไรกาลังคิดอะไรถามว่าหนึ่งท่านดูเวลาอยู่ต้นพระศรีมหาโพลดูบัลลังถามว่าบัลลังท่าทีตรงนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่มาตัดทะลุ พระเจ้าในานาเขจะมาตรัสรู้คนที่จะมีสิทธิ์มานั่งนะที่ตรงนี้จะได้มีโพธิในการประทับนั่งตรงนี้ได้นะั้นเะนี่ยยี่สิบบ้างแปดสิบสสบ้างสี่สิบผสมไข่แสนมาหาขับเป็นตะ้นวะถามว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะ้อยในการที่ท่านจะให้คนปรารมีธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้ของท่านเองตลอดถึงบุคคลทั้งหลายที่จะมาตรัสรู้ในานาคนเป็นต้น แล้วเมื่อพาะพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยได้ตัดสรนุแล้วเนี่ยในการสลสัตว์หรือสัตว์เอาไปออกไปจากวัฏะนั้นเนี่ยพระมหาคุณาที่คุณของพระบรมศาสดาขงท่านเหล่า น, นั้นยิ่งใหญ่อย่างโมหะนาถามว่ามีสัตว์โลกกี่ท่า น, นที่สามารถที่จะคิดเห็นคุณขงท่านได้อย่างลึกซึ้งโดยมากไม่นั่งเรียนกันได้แค่สุดจังฟังกันได้ก็ผ่านจำได้ก็ได้สอบสเสร็จก็ไปไประกาศมติ เสร็จวันนี้เราจบมหาเอกแล้วจบปริญญาเก้าแล้วก็คผือ่ อ, อทําบุญเฉลองนักเคยเห็นคุณของท่านไหมเขาเห็นไหมถามว่าทําไมเห็นคุณของท่านจะถามมว่าสุดตรัพที่เรียนมาไม่เกลือกบูตจินตาและภาวนาหรถามอะไรที่เกิดท่านก็คิดใหม่ถ้าคืนคิดอยู่แค่นี้เราเราคนรุกไม่ได้เนี่ยแล้วก็จบแน่เนี๋ยว เ, เรียนมาแทบจะใช่ไหม บาคนเรียนตายไปหลายช่วคนได้ทํำยังไงฉะนั้นการเรียนดีไม่แต่เราเรียนผิดเพราะเราไม่เรียนอย่างฟังถามจากผู้เรียเจ้าและสาวกของผูรีเจ้าเวลาสอนก็ทำแล้วก็ไม่สอนอย่างสาวกของผู้เรียเจ้าหรือผู้รีเจ้าสอนเพราะบุคคลนันหลายที่ท่านสอนในขณะที่ท่านสอนไปแล้วท่า น, นจะเร้เนร่้ต้องไปดูว่าท่านสอนอยังไงได้เรรู้ท่านฟังยังไงได้เรรู้ท่านสาวทยายยังไงได้ไรู้ท่านตรึกทํำยังไงได้เรรู้ ท่านเรียนกรรมฐานสามสิบแปดเป็นต้นอย่างช่ำชองแล้วไปไข้คนรยังไงแล้วท่านจะบรรลุต้องไปดูวิมุตติจตนะห้าให้ชัดเราจะได้เห็นช่องทางของการปฏิบัติเนชัดขึ้นแล้วมันจะได้ไม่ติดอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งทั้ ง, งานั้นการบรรลุมันจะแคบทั้งทั้ที่พระเจ้าเปิดกว้างไว้เยอะตรงนี้ต้องไปดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นในการศึกษาระธรรมของเราท่านั้งหลายก็ไปไข้ควรยังไงเพราะ ศึกษาพระธรรมเนี่ยถามว่ากายกรรมปฏิกรรมมโนกรรมเนี่ยมันขัดเกลามากขึ้นถ้ามันยิ่งหนานแน่นขึ้นแสดงว่าผิดไม่ใช่พระธรรมผิดเนี่ยการเดินศึกษาสามของเราพลาดแหละเพราะถ้าเดินไปเดินมาในใจมันต้องเบากิเลสมันต้องถูกละไประยะระยะปัญสัตยาวิรยิยสติสมาธิปัญญามันต้เพิ่มขึ้นกายกรรมปฏีกรรมมโนกรรมนั้นมันต้องนอกเนอะต้องเห็นคุณพระพุทเจ้ามากขึ้น ต้องมีโทษของสามสารวัตรมากขึ้นอันนี้ถูกเน่ถ้าไปแนวทางนี้ยแต่ถ้าเริ่มเห็นคุณของพระพุทธเจ้าน้อยเมุดว่าอาตมามาตลอดมาบัญญัติเราเริ่มเห็นคุณของพระพุทธเจ้าน้อยแต่เริ่มเห็นคุณว่าอาตมามากคุณผิดเลยเนีคุณผิดมากเลยเนี่ยถ้าถ้าคุณทาอย่างนี้อาตมาจะไม่รับรองอาตมาจะบอกว่าคุณเลยเพราะอาตมาก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยวิธีธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็พยายามเดินตามของพระพุทธเจ้า พอาจารยมากระกาว่าท่านทั้งหลายมามีหน้าที่ว่าเชื่อมท่านทั้งหลายให้ถึงพระุเจ้าและท่านทั้งหลายไม so ่ต้องมาผูกพันัรม่าผูกกันกับธรับเพราะอารต้องการดึงท่านี่ถึงพระเจ้าถ้าท่านมาพบเที่ยวรมาท่านจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นแต่ธรรมะแ้มันอะไรเกิดขึ้นในที่สดจริงๆอาจารย์เราก็จะเด่นกว่าพระพเอาจารย์เราในแหละจะตกนรกเพราะอาจารย์มีจรุเจข้าใจไ้ยถ้าศึกษามาทำ เขาบว่าอาจารย์เขาเราเป็นราพระพุทธเรียนต้องมาใส่พระพุทเจยังมีพระพุทธเจ้าเป็นไรม่ไม่มีเดี๋วป่าอาจารย์เป็นแต่ไม่ใช่ว่าคำสอนที่ท่านกล่าวมาถูกต้องไม่นะเพราะฉะนั้นคำองของพระเจ้าความดีของท่านก็คือมาเรียกเรียกทำให้เราก็จะดีชัดขึ้นนั่นคือความดริงของท่านที่เราควรจะบูชาท่านในฐามะนัในฐานนั้นก็แยกให้ถูกแยกนี้จะได้ชัด ฉะนั้นพระจอมบุดีนั้นที่เสด็จจากพอดีเพิ่งแล้วเสด็จประทับยืนนั้นสถานที่เป็นเสด็จพะเนตที่ไม่กระพริ ด, ดังพระจานทร์เพชรบนท้องฟ้าข้าพเจ้า ข, ขอนอกว่าพระจอมบุญดีพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่ประทับยืนอันไม่กระพิบพระเนตรนั บ, บุคคลที่จะยืนแลไม่กระพริพระเนตรเนี่ยกล่าวาไว้ม่กี่กล่าวไว้มีแสดงว่าบุญท่านดีและสมาธิท่านแข็งแรงระดับพระพุทธเจ้าไต้องพระดับสาวกของพระเจ้าหลายๆท่านก็แทบไม่ต้องพูดเพียงแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้เท ภาษารีบุตรเนี่ยเป็นบุคคลที่เคารพพระพุทธเจ้ามากที่สุดในบรรดาสาวุเลยจ้พราะภาษาีบุตรนนมีสัตว์ทินซีแปัญญีซีมากคนที่มีปัญญามากเนี่ยก็สัตินีได้มาฉะนั้นท่านจะเคารพพระพุทธเจ้ามากตอนที่าษารีบุตรเวลาพระปรมาสรสดา พ, พระรนิพานท่านเดอยๆบอกพระนบุนเยจ้ะ้วท่านก็บอกว่าการประชุมแ่งขันของข้า พ, พเจ้าและของพระปรมาสตรสดา ก็จะจักันในครั้งนี้ก็จะไม่มีการหนุนมับไม่เปแผ่นดินไม่มีใจยังหวั่นไหวเสินสะท้านรองรับเจตนารูปท่านเนี่ยบารมีที่ท่านแบบนั้นสร้างมาในการที่จะเป็นคู่บุญบารมีในการที่จะเป็นอักรสาวกเพื่อขวาของท้องดุริยมาสัตานิน์นี่คือแผ่นดินไม่มีใจก็หวั่นไหวถ้าเราศึกษาคุณของท่านตรงนี้แล้วใจเราไม่หวั่นไหวมันน่าชื่นกันใช่ไหมใช่ไหมว่าใจเราตรงไมมองไม่ออกก็แผ่นดินไม่มีใจก็ยังเสริมสะท้านรองรับการตำหนิของท่านทั้งสอง แต่ทำไมใจของเราเนี่ยคิดไปไหนก็ได้ทำไมไมันหวั่นไหวตงนี้ไมนะ่นะสัจจรีย์ทำไมไม่สะเทือนบ้างทำไมไม่เห็นคุณของท่านต้อสอบอีกต้นไม่ต้องมาคิดมันเกิดอะไรขึ้นเหนนี่มั้ยเราอ่านยังไงเราคิดยังไงเราตื่นิงยังไงใครตัวยังไงคุณมันทังไม่รบกวนในใจคนก็ไปเรื่องหนึ่งเลเป็นไมไม่ได้ไปเลยเในวัดที่สาวันโตมีโสนเปนาโ ท, าทดาสตตวะปาิาริยัง วัสสัโดวิยะจังก็มีสัจจังกมังนะ ม, มหามิตังภานาถเจ้านาถาพวกคายามิตรแล้วคือพระพุทธเจ้าในขายเหยื่อของโลกเลยถามว่ามีอะไรในโลกในเทวโลกใน โ, ปรปรโลกมนุษยที่พองค์ไม่ขายถ้าองค์คายหมดแล้วก็คือพูดถึงในเรื่องของวัตถุตามทุกเนี่ยก็คือก้อนเศษในทัศนาคั่งถ้ามันเป็นก้อนเศษจริงๆแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ย บัณฑิตท่านคายเฉลติ้งแต่เราท่านทั้งหลายเป็นคนที่คือเฉลตหลงคอใช่ไหมสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายท่านถมทิ้งแต่เราก็หออสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายถมทิ้งแล้วเอามาดูดแล้วก็คืนนี่แหละกลุ่มที่ติดประดุกกรรมทั้งหลายไปนี่คือทัศนะตองพระอิศรัน์หรือพระโพธิสัตว์ถามว่าพระโพิสัตว์ท่านท่านก็เห็นเป็นอย่างนี้แต่ท่านเห็นว่าเมื่อเป็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งโลกแต่ว่ามันเป็นคุณได้คือจะมาครอบคูณบารมีท่านอย่างนี้เห็นไหม ท่านรู้จักบริหารพวกอามิทเขาก็จัดสรรอามิทในการที่จะเป็นปัจจัยการบ่มเพาะพุถยานเลยนี่นี่บัณฑิตเขาคิดอย่างนี้ทีนี้ถ้ากลุ่มพวกคนพานทั้งหลายเขาไม่คิดอย่างนี้เขาก็พยายามจะคิดว่าเออเขาจะยิ่งใหญ่ที่จะอยู่ในโลกไปดีอย่างไรก็แจกจ่ายอามิทเหมือนกันแต่แจกจ่ายนี่เพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อการได้รับเสียงเสารเสือมันก็ต่างกันคนล ม, มุมเลยนะฉะนั้นการสร้างบา ร, รมีของพระเจ้าเนี่ยท่านทาย พระนาถาผู้ครายมิตแลต้วจงแสดงยมกถ า, มมากปฏิหารอันน่าอัศจรพระองค์แสดงยมกถ า, มมากปฏิหารแล้วก็เดินจงกรมองค์อาจดุจราชาสีที่รัตนาจงกรมข้าพเจ้าขอว่าพระนาถาเจ้านั้นพร้อมทั้งสถานที่จงกรมคือรัชนจงกรมนที่อยู่นะถ้าเราไปมองดูในสถานที่ที่พระบรมศรรสาสดาเสด็จจงกรมตรงสถานที่พระองค์แสดงยมกถ า, มมากปฏิหารแล้วมามาเดินจงกรม เราตูในสถานที่ที่พระ อ, องค์แสดงยงมกัตปาฏิหารพระ อ, องค์บอกว่าพระ อ, องค์นั้นเนี่ยองค์อาบุตรราชสิทธพระธรรมของพระบรมศาสดา ว, วลาแสดงแต่ละสูงเนี่ยเหมือนกับทะเกว่าสีห่าวิจีระตาั้งในเป็นในที่มีการยืนงยาประดุจังราชสิทธ <c oughs> องค์อานมากอาสพิวาจาเหนะ็นไ ขนาดการอุบัติเกิดขึ้นมาครั้งแรกของโตมรมา ส, สดาบอกว่าเราเป็นผู้เล่เราเป็นผู้เราเป็นผู้ยิ่งยหญ่ที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพวกใหม่ทั้เราจะไม่มีคืออาการที่องค์อ่ะนั้นบุคคลที่อาจาันกล่าวได้อย่างนี้แปลว่าบรมธรรมท่านจะได้อยู่แล้วบารมีเต็มแล้วนั้นคนไม่ควรคิดว่าเด็กเกิดมาปุ๊บนี้เดินได้ยังไงแต่ต้องคิดว่าเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยถึงเดินนะ้ถึงเปล่งอาสตริวาจาได้ ก็ต้องไปศึกษาบารมีก่อนจึงค่อยมาดูผลไม่ใช่มาวิจารณ์ผลแต่ไม่รู้จะฉีดถ้าเราต้องการอยากจะวิจารณ์ผลเราต้องรู้ก่อนเหตุปัจจัยทางด้านพวกนี้ที่บ่งเพาะบารมี30มสิทธะมา20ประบอสงไข่เนี่ยท่านทําอะไรมาทําไมท่านออกมาท่านเดินไมได้ท่านต้องรู้ว่าเราทําอย่างท่านได้ไหมใจเราเท่าท่านไหมถ้าเราปาราณนาจะเดินได้เ ร, เราทําให้ใจเท่าท่านสิงนั่นเราจะเดินได้นื่องเราจะเปล่งวาจาอย่างนั้นได้แล้วเราก็จะตัดสู้ได้ ฉันก็ต้องทําให้ได้เราวท่านถ้าทําไม่ได้ท่านก็เดินไม่ไถ้าท่านวิจารณ์ท่านก็วิจารณ์แบบคนไม่เข้าใจเหตุผลไม่ไม่เข้าใจเหตุผลฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเวลาพระองค์แสดงธรรมในเครงเกียรติสีหาวิวิทือกันคือพระองค์จะแสดงสลับยกตัวอย่างเช่นว่าแสดงวิปปะสถานแสดงเกี่ยวในเรื่องของสติปัฏฐานแล้วก็สลับมาวิปปะสีแสดงอริยมะแล้วก็มาแสดงเกี่ยวกับวิปาะไปตัวละเนี่ยนะหรือคุณธรรมที่ตรงกันข้าม เพื่อให้เห็นความเป็นตรงกันยกตัวอย่างที่ว่าเวลาบอกศรัทธาวิญยาสติสมาธิปธัญญาก็แสดงธรรมะที่ตรงกันกับศรัทธาวิญยาสติว่าทาเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรละแต่ทาเหล่านี้เป็นธรรม ท, ท, ที่ควรจะเป็นต้นประการสุด ต, ตอนท้าเกิดโตระนาทีตาสังกาโสโลกะโครัตนาคเครโตเสสีชนางรังเสฮีสักราหังนา ม, ามิตั พระไตรโลกนาผู้เปรียบสนือนเสาเขือ น, นั้นมั่นคงสเสด็จประทับอยู่ในะรัตนคะราชเจดีเจดีเรือนแก้วยังหมหาชนที่สองมนานัด้วยพระรัศมีกาบุญฉัพันยุตยาฉับพันณราศีข้าพเจ้าขอนอนว่าตพระไตรโลกนาคพระองค์นั้นรเร้อมด้วยรัตนคราชเจดีคือเจดีเรือนแก้วนะั้นในสั ป, ปดาห์ที่สีพระบรมศาสดาก็าไปทับที่เรือนแก้วพิจารณาวิถีเรื่องแต่ธรรมะสังคีต จนคํำคี์สุดท้ายคีอยมภพกับาายีบัตถานเราไปพิจารณามหาบาาัตานเรื่องตั้แต่เหตุบุญโยรันราบรุญิให้ควรไปฉับพันกำลังสิ่งนี้ก็ได้ช็อตคือสัพพายุตยานองบบุรุษปัสดานถ้าได้รัมนราปัจใจน้อยสภาวะของสัพพายุตยานนั้นก็แล่นแล่นไปตามอารมณ์ท่านบอกว่าโลกธาตุมีจํานวนเท่าไหร่ สัพัยเดียญของพุทโรมศาสดาก็มีจยนวนด้วยมีขอบขายจํานวนท่านั้นขอบขายของพุทรมศาสดาเท่าไหร่โลกธาตุก็มีจํานวนด้วฉะนั้นมหาปฐฐานมีประมาณเท่าไหร่สัพพยเตียญของพุทโรมศาสดาก็มีประมาณนั้นประมาณของสัพพยเดียญของพุทโรมศาสดามีเท่าไหร่ความลึกซึ้งความละเอียดของปฐฐานก็มีคพราะฉะนั้นพอได้ท่องเที่ยวได้คาได้ปฐฐานประการ มาเป็นธรรมนัตปัจจัยแก่สรรพนุติญาณพอสัรพนุยญาณได้ได้รรมนัปัจจัยอ ร, รมนาที่ปฏิปัจรำลูนิทิยปัจจัยถามว่าฉับพลันรางสีทั้งปกก็เริ่มเปลี่ยนแปางถามว่าเปลี่ยนแปลงยังไงพอมาหากริยาญาณกสัง พยุตมีสัตว์ทิงซีผ่องใสมีวิริยินทรีย์สตินทรียปัญญยินรีย์เป็นต้นสมาธิเรื่องผ่องใสเพราะสภาวะของมันมาทำผ่องใสเป็นปัจจัยแห่งหาทายาทวัตถุหาทยาวัตถุผ่องใสกระทบหมาพูดผ่องใสมาพูดผ่องที่เกิดจะกำผ่องใสเกิดจะคิดก็ผ่องใสเกิดจะดูก็ผ่องใสเกิดจะอาหารเป็นต้นก็ผ่องใสในการราชกายทิ้งก็ผ่องใสฉะนั้นสีทั้ง6ประการก็ออกโลดแล่นไปเต็มห้องจักรวาลโดยประการอย่างนี้ แต่เราไม่เห็นหรือที่เห็นเปลนึ่ถ้าเห็นเนี่ยความลึกซึ้งในพุทธคุณน่าจะมาเลยนะคืออ า, าจะเห็นงานแล้วเรือร่อพบชาติทับถมนคิดไม่ก็ออกเนี่ยนะฉะนั้นในที่ตรง น, นี้ก็คือเห็นแล้วว่าข้อมูลสำคัญ น, นะหลายคนพอไปแล้วคิดเฉยๆมองไม่ออกไปเห็นก็สร้างอีกเก่าๆนะแต่ย้อนคุณไม่ตรึกคุณไม่ชัดอันนี้ไมีถามว่าสาราน้ํามีอยู่ ท่นไม่ดูดนองสั์ไม่ใช่เปความผิดของสัตว์ไม่ใช่ความผิดของหมอมีอยู่แต่ท่านเป็นโรคแล้วท่านไม่ไปหาหมอไม่ใช่ความผิดของหมอใช่ไมครับทางพ้นทุกภานิพานก็แต่ไม่เดินทางนั้นไม่เข้าถึงภานิพานไม่ใช่ความผิดของทางไม่ใช่ความผิดของภานิพานท่านเคพิจารณารม่ความผิดของสัตว์ไม่ความผิดของสตวอ่อไปอัลาฮโตเดี๋ยวไม่จบเพจริงๆจะเข้าเข้าเส้นทางการสร้างบารมีแล้วบูชาคนให้จบ นี่เพิ่งได้อาราธนะโมตสัพขกวันโตไปแล้ที่อาราธนาอราธนามาคำว่าอังคีรสโสมหาปุญโออชปารามุปปาคโตอนุตรโรมหาสัพโศสาชปารังนมามิตา พอมมณีผูประเสริฐผู้มีรัศมีชาพันธ์นารสีแพ่สร้างผู้มีบุญญาพินิหารนั่นยิ่งใหญ่เสด็จไปสู่ควงไม้อาชาปารานิโคตข้าพเจ้าขอนอบไหวพระจอมมณีพระองค์นั้นพร้อกด้วยงไม้อาชาปารานิโคดอันนี้คือสถานที่ที่พระบรมศาสดาประทับในสรปดาหที่พระพุทธเจ้าหลวตรัสรู้อยู่นะฉะนสถานที่ตรงนี้บอกว่าพระองค์แผ่สร้างด้วยชาพันธ์นารสีพระบรมศาสดานั้นเป็นบุคคลมีบุญญาพินิหารมาก คือปริญญาที่บ่มบ้อมาเสียยี่สิบผสมขายยี่ล้านหมากับเป็นต้นท่านพัชเดชไปที่ควงอาชาปาลนนัยโค้ดบูชานะัฐสถานที่ตรงนั้นก็เป็นพระเจดีเป็นสถานที่ที่คนเคารพเป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาได้ทรงบริโภคได้ทรงใช้สอยพระองค์ได้อยู่ในสมาบัติสองล้านสี่แสนโกสมาบัติที่พระองค์ทรงใช้สอยหนะสถานที่ต่างๆเหล่ า, านั้นเป็นสถานที่ที่ควรสักการะคนบูชาควรนองน้องชื่อว่าเราเป็นบูชาพยานของพอระบรมศาสดา บูชาอาสาธรณ า, ายานหเวทีกาทำสิบแพุทธญาณี่เวสาัชญาณสิแล้วก็ทศพลญาณิของพวกปรมศรรราศดาเป็นต้นแล้เราท่านทั้งหลายก็ต้องไปตามดูคุณของพระเจ้าจะได้เห็นคุณของพวรมรรษราษดาอ่ายิ่งใหญ่สะานใดน้ตอเนียก็พิจารณาและตั้งศรัทธาั้งเจตนาและปัญญยายชัดลารามีชาเรชาชาวโชาตันโตมุจรินเดมาอาซเร ลาวราชาวโยนาโตสัานาังนา ม, มิตังพระนาถาเจ้าพระองค์ใดผู้รุ่งโรจน์อยู่ด้วยขายแห่พระราชมีข่าวคือจักรพรเป็นปต้นเหลเนี่ย น, นะถามบอกว่าสมุทิสุขใกล้สา่างน้ําใหญ่พุจรินดุดผ้าพิษจองนักษัตข้าพเจ้าขอนอบไว้์พระนาถาเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยสระน้ําใหญ่มุจจรินนะคือพระบรมศาสด า, า ห, หลังจากที่ได้จัดสรู้แล้วพระองค์ก็ไปสรวยยิมิติสุตอยู่ที่สระมุจจรินในครั้งนั้นพระธิวณีพยานหน้าเข้ามาปกป้องพยานอันตารายให้มานอกเนาะมาบูชาป้องกันฝนป้องกันลมป้องกันแดดเป็นต้นถวายบิณฑบาตบูชาแล่พระบรมศาสด า, า crab, เป็นต้น7วันเป็นต้นฉะนั้นสถานที่หน้าที่ตรงนั้นก็เป็นเจดีเกจียาเป็นสถานที่ควรเคารพด้วยกายวรัณนาวิจีวรณนาและรมโนทั้งวรนนา ควรเป ọn, ็น่องน้องไปกามระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาตั้งศรัทธาเจตนาและปัญญาให้มั่นทำกุศลจิตวิบากให้เกิดขึ้นนั่นกระแสะของฐานธ์ธาตุเจตนานั่นจะได้เป็นไปกับคุณของพระบรมศาสดาเชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ไปเจริญพุทธ า, น, า, านุสติแล้วเมื่อเจริญพุทธานุสติแปลว่วาเพื่อต้องการจะเห็นคุณของพระบรมศาสดาเมื่อเห็นคุณของพระบรมศาสดาก็จะตั้งสรัทิญศีลวิญญาณศีสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลให้ชัด เมื่ออินทรีย์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้นจากขนิี้กาสมาธิเป็นอุปจารสมาธิในที่สุดจริงๆจะได้เป็นปัจจัยเกี่ยวกับโมดปีติปัปสสติความสุขเป็นต้นได้สมาธิใช่ไหมและจากปจัจจัยต่างๆเหลนะ่านั้นนี่แหละทีได้มาใค่ควรโดยการเป็นเห็นนามธรรมต่างๆเหล่านั้นที่เป็นพิจารณาคุณของพวกปรมศาสนานั้นโดยความเป็นปัจจัตลักษณะใช่ไหมและก็เห็นสามัญลักษณะของสภาวะธรรมทั้งนามธรรมและก็รูปธรรมต่างๆเหล่านั้นพร้อมท้งเห็ปัจจัยของ นำาารประทานเป็นรูปประทนต่างๆดังนั้นและจะได้ร้าชิงตลาด ค, ความยินดีเพเกิดเกินในขันทารยาตนาเป็นต้นและจะได้ออกจากวักที่ได้ตามที่ผู้ปรุงศาสนาเป็นต้นถ้าไม่ศรัทธาของพุทธเจ้าอย่างมุลแรงแล้วการที่ออกจากวัฏฏะไม่ใช่หาตาวิโชคุณาทารุราชายาตนาปาธาเป าเวนิสีธิรขิยาสถานหังนามิตังเพระเรามาศาสสดาจงกจัดอวิชากับความมืดมนรรการในขันท่าในยัยนะในอดีตและอนาคตธขรมยตนะท่าที่เป็นไปในปัจจุบันและความมืดมนในปฏิจจสมบาทที่สัตว์ทั้งหลายหลงอยู่ใช่ถามว่าใปฏิจจสมบัทนีเราไม่เคยเอาเป็นอารมณ์มุิปัสนาได้นน่เรียนมาั้เยอะๆอมาถามเลยคนเาช่วยเราปฏิจจสมบาเจอมันเป็นอารมณ์ิปัสนาเหน้าไปแถวลยเพราะอะไรใช่ห ไม่รู้จักเยจะนะจบังบท่านได้ใ น, ใ น, นรอย่าลี้ลงไปเลยนาะลงไปเรื่ อ, อ, อ, เอยเลยนะเลยจะไม่ไปรู้จักคุณไปทำบุญไปเลยนะี่แต่จริงๆก็เกี่ยวเรื่องไปยืนเนี่ยนก็คือในธรรมจักรประตะนานสูตรท่านจะกล่าวไว้นี่ว่าโพธิปักที่ร ธ, ธรรมคือสติปัฏฐานสมปทาอิทธิบาททิสุ ร, ม ร, รมีรามาละโคตชงแล้วก็อธิมักยุ่งใน37ประการนี้ไปไข้คววิชาสาขาวิญญาณนรวราวใจนะตัดาเวีน ท่านหนาวบานว่าชาติไผ้ควร12องค์แต่ละองค์ก็ไข่ควรแล้วก็เสิรโฟลงอริยศัตวิ์คือทุกสมุทัยท่านกับไผ่ควรเวลาศึกษาธรรมจาร่าได้จวดก็ไปายามใหทํทำให้ดีกว่าเราจะได้ตามแล้ยวจะไม่เป็นเรื่องเดียวจะไปพูดเรื่องหนึ่งไปอื่เดี๋ยวก็ยิ่งมองอัไรมาเราชอบเชื่อมโยบอกแล้วพเรื่องหนึ่งเชื่อโยงเป็นเรื่องก็คือต้องการจริงๆแล้วในพระธรรมของพระาจา่ยบางทีท่านแสดงไว้ยอนี่ เวลาเราเาต้องการที่เชื่อในเราหาที่เห็นค้าสะพานนั่นเองอยาจะทาสะพานนี้แต่หลายๆเดินความคิดตายจากมุมนี้ไปถึงมุมนั้นวัตถุประสงค์เพื่อแทงจระเพื่อเข้าใจและทํามนู้จักจริง้เพื่อเป็นปัจจัยการข่าวเกาทำเงอะใร้าวาข่ก็เหมือนกรณีการกล่าวซ้ำใช่ไที่จริงถามว่าการกล่าวซ้ำนี่ถ้าใครเคยอ่านก็จะได้รการสรุปลงเวทนาต้นยาลูกเวทนาตัญญาต่างๆอย่างนี้ก็แล้วการกล่าวซ้เป็นตรื่อ เหมือนเราไปสวดมนต์ธรรมชาติซรำ้ดูฟังแล้จังเวทนาังนะก็ไสก็ไม่ได้เปลี่ยนบทเดแต่พฤติการตรงนั้นก็เมือนเรากินอาหานทาแต่เชื่อไหเรายังไม่เห็นโทษขอการกินอาารเรายังไม่เห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสงาริุานต่างก็จะต้องเอารูปเวทนาสัญญาสงารยานคู่เพราะว่าจริงๆการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจว่าการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรม ท่นก็ปิดช่องทางการบรรลุของท่านเองแล้วช่องนี้ใหญ่ด้วยช่องนี้เป็นช่องที่ใหญ่มากแล้วท่านไปปิดช่องทางตัวเองนั่นอย่าปิดใช่ไหมเปิดเข้าไว้ถ้าท่านจะออกช่องไหนได้น5ช่องนี้ออกเลยแต่ไม่ใช่ไปออกช่องใดช่องหนึ่งบางคนบอกวิ่งรีบเรียนรีบเรียนจะได้ไปปฏิบัติมันเลยมีช่องปฏิบัติอยู่ช่องเดียวกว่าจะเรียนแทบตายเลยเนี้ยกว่าจะได้ไปปฏิบัติแต่ละทีปีนึงหยุดไปปฏิบัติ7วันดูสิน่ยแทนที่จะได้ปฏิบัติตาออกแต่ก็ไปได้ปฏิบัติแค่7 นี <łość> ่ก็เรียกว่าทำช่องทางตัวเองให้มันเล็กให้มันเล็กจะไปทาอย่างงี้ก็เปิดตั้งห้าช่องแล้วเรายังมองนเดินเดินยังไม่ถหลุอยู่แล้ใช่มใช่ไหมถ้ายิ่งไปปิดเหลือช่องเดียวอยู่ยิ่งแคบอย่างเดียวเปิดกว้างๆเอาไว้จะได้เปช่องทางเองวิมุตตาญาณนะคือช่องทางการจากสังสารวัที่กว้างเปิดตามพระเจ้าไม่ใช่เราเปิดเองแม้แต่อทานนี้มาอาหรรพ์เดทางไม่ใช่ พระพุทธ เ, เจ้าเปิดผู้เปิดทาง้วนํารู้ได้ตรงนี้พระพุทธเจ้ากําจัดอภิชัดอวิชางความมือทรงทรงคุณธรรมหาที่สุดไม่ได้ประทับนั่งด้ยวยพุทธศิรีนกหวงไม้ราชาญาะตะินั่งคือม้เกศพระพุทธ เ, เจ้าก่อนอบไหวว่ารบรมศาสตานั้นพร้อมนัดสถานที่ตรงนั้นคือสถานที่และที่ตรงนั้นะถึงแม้ว่าเราหาไม่ไม่หลักเทาอนไม่ใช่ประเด็นก็เหมือนนี้นถามว่าเราจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ ตอนที่พระองค์ตั้งปฐมมณิเป็นต้นเนี่ยเราหาเจอไหแต่อัตถาและความเข้าใจและการสร้างบารดีล่องรอยบารดีด ล่องลอยของทานบารมีศีลบารมีเนกา ม, มาปัญญาวิริยะขันติสัจจทิฏฐิธรรนั้นเมตตาอุเบกขามีอยู่ไหม น, นั่นแหละคือล่องรอยแหตุการเป็นเป็นอัรหมนณปัจจัยแก่คู่ท้าแก่การเจริญพุทธานุสิตได้ทั้งสิน้นฉะนั้นสติก็ดีปัญญาก็ดีศรัทธาก็ดีเจตนาเป็นต้นไปเรียน้อมระลึกถึงบรงารมีธรรมเหล่านั้นน้อมเลือกกระซึนกระแสนามธรมของท่านเ ห, นะหล่านั้นที่ในอดีตต่างๆที่ท่านได้บ่เพ็งมาทันน า, ทานสิ้นสิ่งต่างๆเล่นะต้องพอ่อคูณเข้ามาในกระแสจิตเราให้มาก ก็จะได้เป็นปัจจัยในการที่จะเจริญกุศลธรามนั่นแหก็จะได้ตั้งมั่นในการที่จะพอคูในการทาพุทธาพุทธคุณต่างให้ตั้งมันถ้าคนของพระรมศาสดานยไม่ตั้งมั่นกระแสนมาทำมือปรของท่านเนี่ยกระแสขาองท่านก็หลุดวงจรพุทธาเป่าาก็จะหลุดวงจรพุทธาอังอรหะโตเนี่ยมวดสตาร์คือว่โตมเรนาอริหันตวามีกฐายังมหาวันาโตเสตตาวุบะกัง ชีมหาชินังนงมามาหิตังพระชินเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกํจาจัดศัตรูได้กี่การเพื่อกิเลสได้หมก ค, คือพยานจังอุ ป, ปกาะชีวกให้ชื่นชมแล้วเสด็จไปสู่ปลาสิทธิ์ปัจจานรประทานวันอันเป็นที่ให้อภัยเข่เนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าองค์งคือพระบรมศาสดาหลังจากกําจัดกิเลสเพราคาา่าโทสารมหันได้ ไ, ได้ด้วยหอก ออกในที่นั้นเป็นชื่อของระยานหรืออรัตมะกยาหนหลงบูในส่วนจริงก็น้าราคาโทสาโมหามานะติสามารถตัดกิเลสในกรรมฐานนิสันดานของท่านในขาดสบายเลยที่เป็นสมุดเชียร์ครับว่าล้าได้ยังเด็กขาดและแล้วต่อมาก็องค์ก็เสด็ จ, จามีในการที่จะเป็นโปรดปัจจวคีร์ท่าหที่จ่าเรื่องที่ก็ยามนากจะกล่าวแต่จริงๆก็คือสรุปรยอดๆตรงนี้ก็คือว่าพราะองค์พิจารณาหรือ ว, ว่าโอปปกาสถิรกิจุอธยาศัยในการที่จะยิยนได้มากผลในอนาคต ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนั้นน่ตามพุทธประเพณีพุทธเจ้าทั้งหลายท่ยานหาไปในการที่จะไปแสดงธรรมทั้งพระบรม า, าศริดาของเราพระองค์นี้ท่านเสด็จด้วยขบาเปล่าระยะการสิบแปดนั้นก็ยังปโปรดปัญญวคีในระหว่างทางก็โปรด อ, อุปกาชีทำให้อุปกาชีวอนั้นได้รับอัยาศัยในการที่จะเลือรอลุมกมรรคผลในอนาคตอันใกล้ไ้วะกระทาได้อย่างนั้นีนั่นคือพระมหากุณา สิ่งด่านเหนี้ท่านทั้งหลายเก็บรายละเอียดไว้เพื่อเป็นอารมณ้ปัจจัยเกิสติปัญญาและก็สถานอนี้ว่าเก็บซ้ำซ้ำซากๆไม่เป็นไรเก็บไปใูไข้ควรแล้วเราเล่าถามว่าใข้ควรดีพอไหมให้สังเจตดีคงที่คนถามเรานึกจังนานกิดเรื่องได้แปลว่าการแคทควรของเราน้อยนิดคือว่าให้เป็นอาหารของศรัทธาให้เป็นอาหารของวิญญาให้เป็นอาหารของปัญญาเนี่ยเมื่อเป็นอาหารของวิริยาสติสมาธิและปัญญาให้ได้แล้ว สภาวิยาสติสมาธิปัญญาแข็งแรงมาหลายแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะตั้งมัน่นพระรัตนตัยใคุณผู้บริจาและจะเป็นปัจจัยในการฉะนั้นท่านก็บูชาสถานที่แสดงธรรมจักเด้วยกับประวัตนาสูตรและสถานที่ที่พระสถานที่ ท, ที่ท่านปัญญาคนแต่ยามเป็นตัวได้ได้บรรลุด้วยเป็นต่อมาก็คือสัมมาสัมพทัสัจจะมันจะคําว่าสัมมาปตโอมหาเตโชปัญจวัคคียาภิกขุนัง สมะดั s มังปวัตเตสีสัททาน a หัง i ามาภิตังสังค o สรูมหาปัญโยทัตวามะตังมหาชนังสังคิตตุจิรังเชตัมหีส a วีหาลังนามา a ิตังอุทัสสาราอุญญา n ีนิพพัตะสาจตาริโนมุทัสสตาสะท้าตุโย สายามรูปังนา ม, ามิหังพระบรมศาสดาผู้มีเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสดงถึงปลายศิริปัตนาบรกระถายวันโดยส่งอิพากพระบรมศาสดานั้นทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นเบื้องแรกแก่ปัญญวัคีโดยชอบคือพระองค์แสดงธรรมจกรรักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญญวัคีเาห้าในพระธรรมเทศ น, นานี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมกับสถานที่เราเน้น ด้วยกายวรณนาเวทิวรณน า, นาและกมโนวันนาถ้าผู้มีพาะเจ้าผู้ปกครองสงมีปัญญาใหญ่หลวงประธานอมตะธรรมแก่มาเฉลิพระองค์ประธานมีมุติธรรมนะทำที่จะทำในสัตว์นั้นหลุดพ้นอมตะธรรมกับประทานพระนิพพานเนี่ยประธานอะไรสูงสุดประธานอนุ ป, ปาทานปณิพพานสัตว์เหล่านั้นได้ดืงมดมอนุ ป, ปาทานปณิพพานแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจาก สังสารวัตรพ้นจากว่าจะทุกพ้นจากตาหูจมูกริ้งกายใจไม่ต้องมาเวียนวายตายเกิดนะไม่ต้องมาเจ็บปวดในการต้องมาดูแลผมขนเล็บฟันหนังเหนยกระดูกเยื่อไรกระดูกมากใจใจตับเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องมาบริหารขันไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องมาทํากิจธุระการงานไม่ต้องมาแบกขันธภาระยกขันธพาะบริหารขันธภาลทิ้งขันธภาระนี่แล้วก็ไปยกขันธภาระลมาใหม่แบกใหม่ดูแลใหม่บริหารใหม่ปุ้มใหม่ แบกแล้วหนักถึงจุดติดขนาดทิ้งขันธ์ะพานะปฏิสุทธิขนาดยกขันธ์สะานแล้้งมาแบกใหม่อยู่คนอย่างเงี้ยฉะนั้นจะบอกว่าเพราไม่ได้อมาตตาทำแต่พระธรรมศาสตร์สดาจีมีปัญญาใหญ่ใหญ่หลวงพระองค์ประานอนาตตาทำแก่มหาชนแกภิกษุภิกษุณีบาศกและบาสิกามหาชนเหล่านั้นได้รับอมาตตาทำเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้อนุปาัฏานปรินิพานเป็นรางวัลในที่สุดทีจริงท่านก็ทิ้งขันธ์สะพานแอย่างทาวร ท่านไม่ต้องมามีสมบาลาอะไรจะมาดูแลแล้วส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วิวหารเชตาวานันข้าพเจ้าขอน้อมว่ า, ารพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระวิหารเชตาวันนั้นในพระวิหารเชตาวานันมีเป็นที่เกิดของพระธรรมเยอะคือพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมแล้วพระยาสงฆ์ผู้บัดเกิดขึ้นมาเยอะมากจริงๆท่านบอกว่าเฉพาะมีสาวาที่ประชากรเ็ดโกนี่เป็นพระญาติห้าโก หโกดได้เป็นผ้าเลยคสองโกดไม่ได้เป็นรูเป็นเราบ้างรู้เกล่ารูอสองโกรถ้าอย่างนั้นก็ยังได้มีกินไอายขงกระทำ ม, มาประการที่สาทิี่ามข้าพระเจ้าของนอกป้ายข้าทาของพระผู้ไดเจ้าผู้คงที่ผู้สเสด็จดับขันเจ้ป า, า, า, าป ร, ะะระิพาณสารวโนยิวโนทรยาณป่าสาระคือขาทาของผร้รูปเจ้าหลังจากที่พระเจ้าทิ้งขันา้าสาระยังเด็ดขาดให้กาาหับพญาาไม่มาขอแลวขอแล้วขอตั้งแต่ตัศโลกม่าเยนี้ขอทีนี้ปกติเนี่ยผู้ได้เจ้าที่สร้างบารมีมามีไหมที่ใครขอแล้วไม พราองค์ต้องอดแกล้นเจตนาทานเนี่ยแล้วก็วัดตถงทานเนี่ยยังให้ไม่ได้ยังคิดถึงใจของบุคคลที่บำเพ็ญมา20ประสงค์กายที่มีแสนมาครับถ้ามีคนมาขออขานทิ้งขันได้เอย่าว่าแต่มารขอเสือไม่ขอแล่แค่เสือหิวท่านยังโดดให้เสือกินมาแลหรือท่านไม่มีทานอะไรเลยท่านเป็นกระต่ายเนี่ยท่านยังโดดย่างโดดปิ้งเนื้อเองให้เขากินมาแล้วแล้วก็ค่อยๆปิ้งเนื้อเองให้มันค่อยๆสุกให้เป็นทานมาแล้วทำเยอะๆ แล้วแค่มารขอท่านตะอดกั้นเนี่ยเพราะอดกั้นมารก็ถา ถ, าถาังไหนยีสิบประสงค์ใครยิ่เดือแสนมหารบ ข, ขอไม่ให้เลยดูสิเนี่ยใช่หมห้เอาถ้าคนเนี่ยใครขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้แต่มารขอขันให้ยิพพานไม่ยอมให้นั่นแหละคือพระมาหากราุณาธิคุณถ้ า, าพระองค์ให้แต่พยามมารเนี่ยจะมีวันนี้กับพวกเราม่น่าไปชมบางธรรมอไเนี้ยมันจะไม่มีบรรยากาศนี้เลยนี่แหละคือพระมาหากุณาธิคุณคิดให้ออก ว่าเขาองนั้นมีพระมหากราุณาธิคุณขนาดท่านบอกภิกษุภิกษุณีบาโสอุบาสิกาของท่านยังไม่แข็งแข็งยังไม่อาฐานยังไม่สามารถปรับพาระประวาติแก้ปัญหาข้อของใจรัฐที่ผิดผิดได้สถานทศยังไม่ไปยีทานตับนะตองคิดดูดีมารก็จ้องอภาษาพิบุตรก็ไปรู้โมฆราณะก็ไปรู้เรื่อยใช่ไหมอุสาวงแน่นไปหมดก็ไปขอเรื่ออีกแน่นแล้วเนี่ยเนีน่ยลยต้องคิดดูดีก็ไปขอไม่รู้กี่ครั้งเองไหม นี่ไงสาวกบรรลุเสร็จแล้วทําไมไม่ให้สักทีทําไมอยากจะได้พระราสมาบามัตรนั่นจริงๆอ่ะประารถนาไปรุ่ดยกเนี่ยคืออยากอยู่ในสราสมาบัตรหรือเปลาเนี่ยเคิดดูจะมาออกจะว่าอย่างไรนี่ไงคืออัดถาดตรงนีนออ้แล้วอ่านนี่ออกเราจะได้เห็นว่าจริงๆนี่เป็นเรื่องที่จะต้องดอดทนยอมฟังมาถามเพื่อพวกเราจะได้มีพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เรียนจะได้ตัดสรูปตามท่าน ทางนั้นไม่มีวาทำมาเลยเนี่ยในที่สุดจริงๆนียพอลูกครบ80มานันก็ไปขอใสพระองค์กสรารนะสรารบอกว่ า, วานี่ไงพระพุทธเจ้าเธออยากได้ใชนะ่นี่แหละพระเจ้าสัจจะบารมีไงแล้วพอครบสามเดือนพระองค์ก็ปรินิพานจริงๆให้มาได้รู้ว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมานั้นไม่ได้ปนนะรารถนาอะไรแต่ผลเพื่อมีนิพานเป็นอารม์ ไม่ไปปรารถนาจริงๆคือตัวสัมพนยุทธรรยายันก็ไม่ใช่พระองค์ปรารถนาเกีรยรติยศชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงความเป็นใหญ่ลิ้มูสงสงไม่ต้องพูดถึงความเป็นาศาสดาไม่ต้องพูดถึงฐานะนี้เพราะพระศาสดาเป็นอยู่นะแต่พระองค์ปรารถนาอนุปาชาปานิพันธ์นี่แหละคือพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจสักนิดหนึ่งว่านี้ไงพระปรม า, าศาสดาทรงปร า, ารถนาอนุ ป, ปาธาปธานิพันธ์แต่การปรารถนาของพระองค์นั้นพระองค์เป็นมหาบุรุษ เปนบุรุษที่องอาจคุณบุที่มีมหาตุลนาที่คุณมีพระปัญญาคุณนั้นพระองค์จึงคิดมีมหาตุลนาและมีมหาปัญญาต้นแบบนี้คอยตะเตือนอยู่ตลอดเวลาเป็นอัธยาสัยจะคอยวิ่งรวดแร่นตามทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเมตกรมไมปัญญาเมียกันติสัจจะอธิฐานและเมตฐา น, นบารมเพื่อจะยังสัตมนั้นให้ออกจากสามสารวัตด้วยเมื่อตนเองพ้นจากกัฏจักรนี่เป็นข้อยืนยันว่าบุรีจ้านั้นไม่ได้ติดใจในการที่จะเกิดบุรีจ้า ไม่ได้ติดใจในฐานะที่จะอยู่ในฐานะในการที่ให้คนเคารพนับยกแต่คนที่ได้เคารพยกย่องนับถือแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้ตดรัสรู้ตามพระเจชะฉะนั้นพระพุทธข้าพเจ้าขออ้อนว่าพระธาตของพระบรมศาสดาผู้รงที่ที่สเสด็จดับขันทพระปฏิทิน า, าสารวโนรยานป่าสาระขออ้อนว่าพระพุทธรูปสีหาสัย ญ, ญาตพระองค์แทนด้วยจึงเป็นตัวแชรในการทิ้งขันทาราณะให้กยายา ม, มาร ข้าพเจ้าขอกราบด้วยกายาาด้วยวาจาด้วยใจอย่างนอบน้อมได้อภิวาทแนะว่าสถานว่านี้คือนิมิตหมายบ อ, บอกว่าพระบรมศาสดาได้ทิ้งทิ้งนพระภาระือรูปเวทนาัญญาสถานวิญญาณให้กับพญามารที่ร้องขอตาม ส, าามสัจจะพระองค์ได้แสดงฐานพระภาริย์แล้วพระบรมศาสดาตรัสดูก่อนนานนันท์ทและวินัยที่เราแสดงแล้วบรญญัติแล้วทำแล้ววินัยนั้นจะเป็นศาสตราฐานท ถ, ถาคต ทิ้งขันธพาลปริภามเป็นหนึ่แต่พระธํามวินัยนจะเป็นศาสดาในการประกาศพระธรรมแทนเราแต่ม่านขึ้นนักขณนี้ก็ทำหลวงพุทธเจ้ากำลังเป็นไปอยู่ในกระแสใจของสมาธิที่บุคคลนั้นคนที่เป็นวิชาที่ทีเท่านั้นจะไม่เห็นพระบรมศาสตาแสดงธรรมนี่ยจะไม่เห็นพรอกกตอนนี้พระบรมศาสดากาลังแสดงธรรมอยู่วิชาที่ที่จะไม่เห็น แต่คนที่เป็นสมาชิกีต่้งหลายที่เห็นพระศาสดากำลังทำกิจของท่นแต่ท่านไม่เคยล่าเริงกินเหล่านั้นเลยทั้งห้าราการท่านหลายครั้ใครควรหรือที่จนาที่ได้เห็นว่านั่นคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้นี่คือนับบทศึกษาพระก้าวตราโตัวสมาคือการน้อมน้อมในการบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษาเส้นทางการเดินทางในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ความเป็นไปเป็นมาว่าพระปรมาสสดาเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้จัดสรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาเนี่ยท่านทําอะไรมาท่านบอกเป็นบารมีอะไรมาเป็นต้นนี้ในบารมีทำต่างๆแบบนี้ท้าษฐานบอกว่าในจิตต่างๆใช่ไหมที่เกิดขึ้นจากการบูชาและจากการน้อมน้อมคุณของพระปรมาสสดาเนี่ยธรรมพิจารณาดูถามบอกว่า ไม่ว่าจะกล่าวนรื อ, อยังจิตให้เป็นไปกับคุณของพระบรมศ า, ศาสดาที่กําลังเป็นไปไม่ว่าจะมีนะโมตัสสะพระวะตัวรโตสัมมาสัมพุทธัะหรือว่าอิาาทิวิโสพระกวาสังสมมาสมพุทธตอทสาธ ย, ยาตัเช้านะในเจตนาที่เป็นไปนั้นแบบความเป็นผู้มีศรัทธาที่เกิดความเป็นผู้มีเจตนาควาเป็นผู้มีปัญญาในการที่น้องและเลิศถึงคุณของพระบรมศาสดาดุจต้นที่กําลังเป็นไปอยู่เนะี่ยในขณะที่เป็นไป ในลักษณะที่ว่ากุศลลจิตที่เป็นไปอย่างนั้นจะถามบอกว่านามธรรมที่มีการนอกน้อมคุนของพระบรมศาสดานั้นในนามธรรมเหล่านั้นน่ะถ้าถามบอกว่าเสียงถ้ามีการเปล่งเสียงออกมาวรณโมตสระบกคะวโตอร่าโตสัมมาสัมพุทธสัจเข้าดีอิทธิปิโสบกคะวารามสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปนนสุปจนโลคุงตูรเริญบริสัมพุสิาเดวมัสสานเวลาเราจะมาไปไปที หลายครั้งที่แล้วท่านมาปเป็นิพพานจากสิงคโปร์ก็ดีจา ก, กาจอินเดียก็ดีท่านซาลาสุเวลาท่านสวดอะไรเนี่ยภาษาที่ท่านสวดตัว อ, อย่างเช่นนะโมตัสสะบากาว นามัตต์ตั ที่เปล่งออกมาที่เป็นจิตแสัตว์ท่านเป็นจิตที่เกิดจากกุศลนี้นคือกุศลและจิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยการเปล่งในการกล่าวในการนอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นในการเปล่งในการกลานะรร่าวมีนาโมจัดจักรก็คือวโตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะต้นอันนั้นเป็นถ้าหากเป็นไปกับกุศลเขาเรียกมหากุศลญาณ มาหาพุชนญาณแะสามเบื้องที่เป็นปัจจัยการที่จะขับเคลื่อนในการนอบน้อมในการกล่าวในการเต็มถ้ายิ่งมีปัญญาเป็นประธานด้วยมีศรัทธาเป็นประธานด้วยมีเจตนาเป็นประธานด้วชัดเจนเลยตอนนั้นเป็นมาหาพุชนญาณแะสามเบื้องทีนี้มาหาพุชนี่เป็นไปนะั้นเนี่ยเวลามาหาพุศนเกิดขึ้นถต่เมาื่อมหากุศลเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัจจัยถ้าเราดูตามในย้อาของบรรดาฐานล่าสุดจะชัดเลย ถ้าดูมหาปุศลียแท้จริงนะมหาปุศณีมี8ในแปดวงนะเป็นมหาปุษณีญาณสายุทเเป็นมหาปุษณยานวิปุยุทเในมหาปุษณีาสาวิยุทเป็นปัญญาเจตนาศรัทธาและปัญญาถ้ามหาปุษณียานวิปุยุทก์เป็นปัญญาเจตนาศรัทธาและก็สติจตแต่ในที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นมหาปุษณีาณวิปุยุทธ์เจนสี่แต่ในขณะนั้นก็มีการน้อมเมีการเรีกคุณของพระบรศาสา ในการนอบนอ้อมในการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาที่เป็นไปในลักษณะนั้นคือหนึ่งที่บอกว่าถ้าเจตานาเนี่ยเป็นเหตุในการนอบนอ้อมการนอบน้อมนี่นะในลักษณะการนอบน้อมบุคคลนอบนอ้นอมคุณเป็นต้นเนี่ ย, ห ร, ห, ยททาาหรือมหาสมุติบารที่มีศรัทธามีเจตนาหรือมีปัญญาที่เป็นประธานที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก่อนกิริยาที่นอบนอ้อม กิริยาที่มีการนอบน้อมออกมาทางกายทางวาจามันเกิดขึ้นทีหลังแต่กุศลกิจุบาตั้เกิดก่อนคือเจตนาเกิดก่อนปัญญาเกิดก่อนแล้วก็ศรัทธาเกิดก่อนแล้วก็เป็นปัจจัยในการนอบน้อมได้กายนอบน้อมได้วาจาและจิตก็มีการเริ่มนอบน้อมเนี่ยพอนามาทําแล้วมีการนอบน้อมเนี่ยถ้าไปพิจารณาเป็นต้นตามลำดับมันมาไม่แปกใจว่าทําไมก็เจริญพุทธคุณเข้าเปรลูก ถ้าเราดูมหากุสันต์ดันกล่าวนี่เป็นประทัฐานแก่าโดใช่ไมเพราะมีเจตนามีศรัทธามีปัญญาเนี่เเกิดขึ้นนอกน้องแล้วแล้วเราเาการนอกนอการลึกแล้วแล้วเราเล่าแล้วแล้วเราเ่าถึงวามก็เกิดแม้ปาโมดก็เป็นปัจจัยแกพปีตรแม้เป็นประทัฐานคอพิจิตพิจีตเป็นปรทัฐานแกปัจติปัทติก็เป็นประทัฐานแกสุขสุขก็เป็นประทัดฐานแกสมาธิสมาธิก็เป็นประทฐานแกญาถาภูตญาณนะท่านัคือความรู้เห็นตามความเป็ิ เถาูณยานะทัศนะก็เป็นปัารฐานแก่นิพิทานด้วยความเบื่อหน่ายนิพิทานด้วยความเบื่อหน่ายเป็นปัาฐานแก่มัรคยานมัรคยานก็เป็นปัารฐานแก่โภะยานโภรยานก็เป็นปัาฐานแก่ปัจจุวกขยานปัจจเวกนาะยาก็เป็นปัารฐานแก่อรปปาทาปานิพิานอันนี้จปมีสูตรรองรับน่ในพระวินัยมีกประมิในพระอินนท์มีดอกที่บอกว่าวิ่งใเพื่อประโยชน์แก่กางสํารวมการสํารวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจ คามไม่เดือดร้อนใจเพื่อประโยชน์แก่ปลาโมดปลาโมดเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัจสถานปัจสถานเพื่อประโยชน์แก่ความสุขสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ยะถาปุริยานัทัศนะเกิดสมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ยะถาปุริยานัทัศนะยถาปุริยานัทัศน์เป็นเพื่อประโยชน์แก่ยี่พิทาเวลาท้าอินุทธิกุทธิ์ต้นและก็ปัจเจวกนายนแล้วก็ลูกปาดาวนี่เปนการตัดสนิทโดยไม่มีส่วนนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าในการพิจารณาหินต่าง คุณของพระบรมศาสดานั้นแต่ว่าท่านในคําสอนในชั้นของหลังๆไม่ใช่หลังเนี้ยพระพุทธเจ้าเองนี่นก็ผ่านมาแล้วในชั้นของอัจฉริยะวิธีการทั้งหลงกกายท่านก็มาประมวลท่านก็บอกว่าจริงๆก็คือการตั้งคันของสภาวัฒน์นั่นหละบางทีก็เป็นการตั้งคันของอินทรีห้าพระราห่าจงมรคเรือดพ่จงเลือดมรคแปดที 8, ในชั้นของโรกยียะเช่นว่าปราโมดเป็นการตั้งคัน เพราะคันของปลาโวดแก่แล้วก็คลอดข้อดจากปลาโมดก็ไปตั้งคันอีกทีก็ปีจีก็มีการตั้งทันแบบปีจิให้นหมาอีกเพราะสถาว่าของปีตินั้นเริ่มตั้งคันก็บริหารปีติให้ดียังแต่ตั้งทันเนี่ยนะก็ทําปีติให้คลอดออกมาได้เพื่อจะได้บรรลุปสทธิแล้วก็ทําปีจีปะสะัสทธิเกิดขึ้นยูไ่ไหมก็บริหารคั น, นปุตติที่นั่ น, นให้บริบูรณ์ดูแลให้ดีเป็นต้นในส่วนจริงก็คอดจากปัสะทธิก็ไปตั้งทันทุกวัน แล้ก็ไปตั้งทัานก็บริหารความสุขที่เราท่านทั้งหลายเดิมากท่านแตกเรียกแท้งคนคนเคยมีบทดีรู้เลยที่ั้ยบางคนแท้งไม่รู้ตัวก็เป็นอันนี้พูดไม่พูดเคุณเพูดว่าตัวงีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปทังนั้นหลายหลายคนไม่เคยเกิดทีดีเลยนะท่านก็ไม่ถึงที่สุดไม่ทันค่อจะทีดีปัสสตีิก็ไม่เคยได้ ปัจตัต้งทั้ท่าทั้งท่าได้เพียงแต่ในขั้นไม่ถึงความสุขบางทีสุขได้เพียแต่ไม่ถึงสมาธิบางคนได้สมาธิเหมือนกันจะไม่เป็นปัจจัยปัญญาคือไม่สามารถถอยออกมาแล้วกำลังไข่ควรในการเป็นเจ้าขาบุญญาเ น, นะทีนี้ถ้าหาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นใช่ถ้าไปใช่ควรตามหลักลงอย่างลมสู่ขันท่าเจตนาถ้าเราถามว่ามหาขจฺที่ปางลบกุลคุนทั้งหลายเหล่านี้เป็นมหาขจจิตตุบาท ไมว่าจะเป็นหมาปุสนยานะสมยุทธิหรืวิปยุท์ในหมาปสนยานะสมยุทจิตตุปาเล่านั้นเวทนาเจติก็เป็นเวทนาขันย์นี้อันนี้หมายถึงว่าเออถามว่าเราจะบให่ควรยังไงในความไม่ใช่จินสัมบุคเป็นผู้ให่ควรจะใเห็นว่ากลุ่มนามมาทำกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่พิจารณาสภาวะพุทธคถามว่าพุทธคนจะเป็นปรมาจุดุจจักรเป็นปรมตาพุทธคนนี่เป็นปรมาจนะเป็นสภาวะอย่างนี้ก็คือสภาวะพุทธคุณจริงๆริงเน ก็คือสภาวะปรมาภิษฐ์คือสภาวะที่แทงตลอดอายสั้ น, นอันนั้นจะเป็นสภาวะปรมาภิ์แต่ว่าคุณที่ท่านทําทั้งหลายก็คือเกี่ยวกปนในเรื่องของขันธ์ธาตุอายุศนะทั้งนั้นแหละเป็นพหุคตธรรมเนี่ยลึกๆจริงๆนะพุทธคุณทั้งหลายก็คือสภาวะแม้แต่กลุ่มที่ไปเจริญพุทธทานดสติทั้งหลายที่เราเรียกบุคคลไปเจริญแท้จริงบุคคลเจริญไม่ได้หรอกแต่แท้จริงก็คือกลุ่มสัตว์ทินซีนี่แหละไปเจริญ วริยีสตินีสสมาตินีและปัญญีนีในที่นี้ท่านกล่าวศรัทธาเป็นประธานเวทนาและปัญญานะที่ไปให้คุณคุณของพระบรมศาสด า, ศาเห็นไหมแค่จริงก็กลุ่มเรานี้ยกลุ่มเวทนาขันสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และปัญญาขันธ์นั่นเองที่ไปตามเรลือกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเนนี่เขาเรียกว่าเห็นเวทนาขันสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ญญาขันธ์แลก็ตั้งอยู่บนกลุ่มรูปธรรมหมนะ มันก็เห็นความเป็นไปของขันถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ายักถาภูริยางและทัศนะเห็นไหมหลังจากที่ได้ปราโมทปีติปสัสสติความสุขและสมาธิเบสิ่งท่านเหล่านั้นมาให้ควรให้ควรเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงสภาวะของปราโมทปีติปสัสสธิในะความสุขที่เกินนเกเดขึ้นในกระแสจิตเราด้ท่างหลายก็คือกระแสของขันกําลังดําเนินไปนั่ ซึ่งสัว์ทิมซีได้อาหารปันยินซีได้อาหา ร, ญญาหารเจตสังขารได้อาหารเวทนาสัญญาสังขารญาเหล่าเนี้คุณธรรมต่างๆอีซีห้าเหล่านี้หรือพระห้าเหล่านี้ยพอได้อาหารได้เหตุได้ปัจจัยต่างๆเขาก็มีกำลังเกิดแล้วก็ยิ่งปารับคุณของพระเจ้าเลยแล้วก็ยิ่งเกิดความแน่แ น, นเกิดความนึกซึ่งเกิดความศรัทธาตั้งมั่นมาก เมื่อเกิดความเลื่อมลือเกิดความแนบแ น, แนมนเกิดความศรัทธาในคุณของพระบรมศาสดามากขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้ดีสัตว์ทินทรีได้ปัดใจแล้วตอนนี้ท่านทั้งหลายกําลังให้อาหารสัตว์ยินทรีย์ถูกแล้วสมัาวิญญาณซีสม า, สมาทิ้งรีปันยินรียสตินงซีถูกต้องแล้วแล้วเมื่อยินทรียเหล่านี้แข็งแรงแล้วได้กดปัดใจทีนี้พอมาพิจารณาดูว่าก็เริ่มเห็นในความเป็นนามแลรว ที่กำลังโลดแล่นไปกับคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นนามธรรมา ท, ที่กําลังโลดแล่นไปกับคุณของพระพุทธเจ้าเอ็นนามธรรมาเหล่านี้ตั้งอยู่บนรูปธรรมเองนะความเห็นโดยความเป็นขันเห็นโดยความเป็นอายตนะได้หรือไม่ได้หม า, หาปุถุลจิตแปดวงก็คือมนอานายตนะเจริญสิกที่ประกอบเป็นธรรมายยตนะตั้งอยู่ในกลุ่มของรูปที่มั้งรูปธรรมที่กลุ่มของพวกรูปาพยตนะทั้งหลายเป็นต้น พวกนี้ได้ความหมายที่ยววัตถุทั้งหลามันก็เริ่มเห็นความเป็นขันมองในด้านของอาญาตนาะไปเห็นในความเป็นอาญาตนะว่าการสื่อต่ออันนี้คําว่าอาญตนะคือการสื่อต่อแ ท, ท้จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้สื่อต่อแ ท, ท้จริงก็คือกลุ่มของเวรรวบรวเวรธนาสัญญาสงสารปัญญาสื่อต่อหรือกลุ่มของอาญาตนะสื่อต่อมันก็เข้าไปวิจัยและเข้าไปเห็นได้ด้วยความเป็นญะถาภูริยานัทสนะคือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็น อุบัญญัติเป็นอย่างนี้ปรมัตสภาวะปรมัตเป็นอย่างนี้ความไม่รุ่มหลงในบัญญัติความไม่รุ่มหลงในปรมัตก็เริ่มเกิดขึ้นซึ่งมันติดแน่นมาอย่างยาวนานแล้วความรุ่มหลงในปรมัตและบัญญัติในสังขารในสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสันสารวะพอไปมองในกลุ่มด้วยความเป็นธาตุมหากุสระจิตแปเป็นมโนมีนาธาเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปก็เป็นธรรมธาตุก็เห็นในความเป็นธาตุ เป็นสภาพว่าที่ทรงไว้ลิฐานะของตนของตนอย่างไรกเ็เข้าใจอีกไหมโ อ, โอ้สภาพของขันอยนายตนะธาตุที่กําลังดําเนินไปอยู่ไม่ขาดสายนี้เองพระบรมาศาสด า, า, าเรียกว่าสังสาระสังสาระได้เกิดขึ้นและได้ทําได้ประทับในความเข้าใจของเราได้ทั้งหลายอย่างนี้ถ้าทั้งหลายมงไปไข่ควรไปบอยตามพระธรรมก็จนี้ไม่มีใครไม่เห็นถ้าไปไข่ควร ไม่มีใครไม่รู้ทั้งมีข้อมูลเข้าใจและชัดแต่ที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายขาดการให้คนเห็น ไ, ไหยว่านี้ผ่านพุทธคุณใช่ไหมนี้ผ่านพุทธคุณผ่านคุณของพระเจ้าเมื่อผ่านพุทธคุณนอบถึงคุณของพระบรมศาสดาที่สั่งสมบา ร, รมีมา20ะสงมขายี่20แสนกับจะมองในมุมไหนของคุณของพระบรมศาสดาผู้สอนก็เกิดเป็นศรัทธาเกิดวิริยะศรัทธาเกิดเจตนาเกิดแล้วก็ปัญญาก็เกิด ยิ่งเห็นคุของพระอรม า, าสสะดามากความแน่นแน่แนในสัิติงรีก็ตั้งมั่นแล้วก็ทําให้เดินอินทรียได้ค ล, ล่องขึ้นสภาพของกิเลสทั้งหลายก็เริ่มหดตัวลงเนาะเริ่มหดตัวเนเพราะจิตของคนเราเนี่ยที่มันหนักที่มันอึดอัดที่มันไม่สามารถจะรูดแล่นไปในพระธรรมคำสอนของพระพุทเจ้าได้เพราะจิตเราท่านทั้งหลา ย, ย, า น, ยลานั้นมีอคติและธรรมเพราะอกุศิเนี่ยมันครอบงำในกระแส จ, จิตของท่านผู้ใดมาก จใจของท่านผูนั้นจะคิดบุญได้จะทํางนานในเรื่องบาปคล่องแคล่วในเรื่องบาปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านทั้งหลายสาสาร์ามจิตที่เป็นบาปออกได้จิตในการคิดถึงบุญจะคล่องแคล่วฉะนั้นเวลาการขัดเกาวิญญานของทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเลกห์กรรมปัญญาเป็นต้นบิริยากาันติสัจจะเป็นต้ น, นจึงเป็นตัวขัดเกลาธยาัยบ่มธยาศัยเพื่อจะเป็นที่รองรับรวมธรรมได้ ที่กรณีการอย่างอย่างพระเดชคุณเห็นไหมในที่จริงก็อย่างสุขันธานนตเลยทีนี้ถ้าเป็นใจพิจารณาแล้วรูอินทรีย์ถามอกว่าถ้าในขณะที่พิจารณาอยู่ถ้าจิตเป็นสมมานะเราก็ไม่ใช่เราเป็นผู้สมมานะแต่เวทนาเป็นผู้สมมนะตามวัตธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้พระพุทธเจ้าต่ัสว่เป็นสมมานะสินสีเห็นไหมในขณะที่พิจารณ า, าคุณของพระเ จ, จ้านั่นแหละแต่จิตเกิดความผ่องใสจริงแต่เป็นไปด้วยความสงบ ด้วยการวางเป็นไปในด้านเฉย อ, อันนั้นพระบรมศาสดานี่ว่าอุเบกินรีนะเราก็เห็นว่าไม่ใช่เราวางเฉยไม่ใช่เราดีใจแท้ที่จริงเวทนาเป็นคู่วางเฉยและเวทนาเป็นคู่ดีใจจึงเรียกว่าสมณะสินสีหรืออุเบกินรีนี่ทัวตอนนั้นชีวิตทินซีเจรศิก็ทํากิจในการรักษารูปเวทนาสุขยหรือรักษาเวทนาทั้งหลายเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขัน วิญญาณนะครักษาสธาวิญยาสติสมาธิปัญญาให้ได้สือต่อเท่ากับอายุไขัยทกกรณเท่า น, น้ตรงนั้นชีวิตติทรีเจสิกก็เป็นชีวิตตินรีมหาคุโสรจิต ก, ก็เรียกว่ามหาติณสีศรัทธาที่ไปทำกิจนั้นไม่ใช่เราปผู้ศรัทธาแ ท, ท้จริงก็คือสัตว์ินสีกลำลังทำกิจในการที่ไปไข้ควรแล้ว วิรยะเจตสิกที่เกิดร่วมก็เป็นวิริยินทรีสติเจตสิกเป็นสติินทรีเอกคตาเจตสิกเป็นสมาทินทรีย์ปัญญาเจตสิกเป็นปัญญินทรีย์ท่านหมายว่าประชุมสัตทินทรียวิริยินทรีย์สตินทรีปัญญินทรีสมาทินทรีนึถออกั้มแท้ที่จริงเป็นกลุ่มอินทรีเท่านั้นที่กําลังเดินไปกับกระแสของคุณของพระบรมศาสดาสัตว์บุคคลไม่มีความร่วมหลงในสัตว์บุคคลก็ถูกถ่ายถอนโดยทางพรบหาล คามรุ่นหลงโดยประมาทจะถูกถ่ายถอนโดยแต่ทางค้าพอาหารอย่างนี้เขาเรียกว่ายะขาปูเยา น, านายทัศนะเนร่วมเห็นไหมว่าพุทธคุณเนี่ยที่เราทําไมต้องศึกษาเพราะเป็นช่องทางในการบรรลุเขาบรรลุพุทธคุณเนี่ยนับไม็ไดนะเขาจเจริญยพุทธคุณแล้วเขาบรรลุเนี่ยนับไม่ได้แต่ว่าไม่สามารถคำนวณได้ว่ากี่กบเขาบรรลุกันหมดแล้วเรายังกําลังฝึกเดินกันอยู่เนี่ยนะไม่เป็นไรใช่ั้ม ถ้ามันจะเริ่มมาฝึกเคิรนก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วตายไปก็เสียหายให้เลยเห็นไหมว่าทีนี้ถ้ามาพิจารณาถึงคุณของพระบรมศาสดาที่พระบรมศาสดาเนี่ยทรงมีพระคุณนานที่คุณมาให้เห็นว่าโธ่ทั้งหลายยี่มองด้วยความเป็นขันในความเป็นนายยตนาในความเป็นท่าในความเป็นอิสีนี่จะมองด้วยความเป็นปฏิจจาหรือมองด้วยความเป็นอริยสัจก็จะมองยังไงใช่ไหม ท่านสิ่งต่างๆอันนี้อย่าลงลงอริยสัจยังไงอย่างลงปฏิจจัยังไงถ้าในมหากุสเนี่ยยาสสาวยุทธ์ยาปทธ์ทั้งหลายอนะไรนี่เจตนาเจตสิกที่ในมาหากรุสจิตวิบาททั้งหลายต่างๆนะใช่สังขารเนะียใช่ปุญยาที่สังขารนะก็คือเจตนาที่เป็นบุญนั่นเองที่ปารลบคุณของพองระบรมาศาสดาเป็นต้นหรือกรุสของท่านทั้งหลายที่กลังเป็นไปถามว่าสังขางรานีอะไรเป็นัจจัยมีวิชาเป็นปัจจัย่ีไหม เพราะสังขารเราท่านทั้งหลายที่เรากำลังได้มาเนี่ยมันมีผลผลมาจากวิชาในสันสารวัตอาวิชาบวกกับกรรมเอาวิชาบวกกับตัณหาในอดีตนี่แหละที่เป็นปัจจัยให้ปัมมาหาคุณจิตตุบาทที่มีเจตนาของเราจะละเกิดขึ้นในปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปปฏิเสธวันท่านคือเจตนาเจตนาก็ดีเจตนาในอดีตเน่นะเจตนาในก็ดีก็ดีอวิชาในอดีตก็ดีเนี่ยหรือตัณหาในอดีตว่าไม่มีอิที่บนอิทธิคนมากมาก และอิทธิพลถึงหนาดว่าวิบากของเจตนาเหล่านั้นมากที่บวกกับตัณหาท่านที่บอกว่าตัณหาเนี่เป็นโรงงานผลิตตัณหาเนี่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนมาหืนมาเพราะมันเป็นตัณหาที่บวกกับกรรมในสังส า, ารวัตรท่านทั้งหล า, ายต้องการตาอะไรที่ไม่เคยทำไม่มีเลยในโลกียภูมิเนี่ยในโลกียภพในกามรมรรคลูก ก, ก, กับกับลูก ในรูปประกอบอรม ป, ประกอบกรรมเหล่านั้นเป็นโอหสิกรรมไปว่าแต่เป็นอุปริศญยปัจจัยท่านอยู่เนี่ยท่านยังมีความต้องการอยู่ที่ต้องการอยากจะมีอยู่ในภพเหล่านั้นยังมีอยู่แต่กรรมที่เป็นไปในกรรมภูมิเป็นไปในรูปแบ ใ, ใ, ในในในนบภูมิและในเทอภูมิเท่าไหรกรรมเหล่านี้ที่ใช้ผลิตวิบากนั้นมีอย่างโอหัหลา วิบากที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ผลิตวิบากถามว่าท่านทั้งหลายที่เอานี้ปฏิ บ, บัติโมบมีขนาดไหนบ้างที่ท่านไม่ทำกันเว้นท่านหลับท่านหลิตท่านแม่เมฆฝันท่านในทางกรรเลยแต่กรรมหล่นะถึงแม้ไปส่งผลในปฏิส ต, ติการแต่ในประวติการท้องก็ไม่เว้นทา่านเลยถท่านจะไปตรงไหนท่านจะหนีผลของกรรมไดหนีไม่พ้นน่ะตาของเอาเอจิสตว์ในเวทีท่านจ ะ, นะจ v G, v G, ทําได้แ้ว ตาของสัตว์ปีราฉานท่านกระทำไม่ชนิดแทบชนิดตาของเปรตตาของเมตสุรกายตาของมนุษย์ที่คนพิการว่าไร้บอลถามว่าบริหารทักเนี่ยท่านเห็นถ้าท่านเห็นคนบ้าเดินทางถนนที่เราเรียกว่าท่านตอนนั้นบ้าถามว่าทักท่านคิดยังไงถ้าท่านจะคิดว่าสิ่งนี้เราเคยเป็นและสิ่งนี้เราจะต้องไปเป็นถ้าเรายังรัก ลาข้าตัวสัมมาวาไปเห็นสุนัขข้าตัวหนึ่งท่านก็จะคิดว่าสิ่งนี้เราเคยเป็นและสิ่งนี้เราจะต้องไปเป็นแน่ๆถ้าเรายังรละขันละทิ้งขันไม่ได้อยา่างครับท่านคิดอย่างนี้ท่านถึงจะลุ่งสะเทืในภพเพราะมันง่ายรู้ว่าเิ้งนอนข้าตัวเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งนี้ท่านเคยเป็นและสิ่งนี้ท่านจะต้องไปเป็นเนะี่ยถ้า น, นคิดอย่างนี้เนะี่ย ค่านถึงกัววััก่านถึงออกบทกันบกว่าแล้วท่านห็นโทษเพราะจหนาใช่ไหมถ้าเราจะตาล่ะในโลกนี้ไม่ร <c oughs> <walk> ู้จะอิ่เป็นทาตระหาถั่เปลี่ลยห้องเดเป็นนิดจะถมยังไงถามว่าเราจะเป็นทาตของตัณหาหรือจะเป็นทาตของศรัทธาใช่แล้วศรัทธานั้นเราต้องไปตั้งกับใครต้องไปตั้งไว้ที่พระเจ้าเราถึงจะเป็นทาของพระเจ้าตั้งอยู่ที่พระธรรมเรานี้จะเป็นทาตของพระธรรมตั้งอยู่ที่พระสงฆ์เราจึงจะเป็นทาตของพระจ้ใช่ไหมแล้วก็ ข้าพเจ้าบิณฑาตของผู้เเจ้าิณฑบาของพระอารบินทาตประสงค์แต่เราก็เป็นพฤติกรรมก็บินฑาตของนันทแล้วอะ่ยมองว่ามองหน้าพระองค์แล้วคิดยังไงแล้วกล้าหนล้วต้องต้องจใหม่ใช่ไหมจบแต่ก่อนมันพาเลยคิมก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราต้องการบิณฑาตของพระเจ้าแปลว่าเราต้องมีศรัทธาในพระองค์ ต้องการมีท่าเราก็ทำเขาต้องเป็นเป็นมีศรัทธาเลยเขาทำเลยเขาสมเปต้นแล้วเราถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปไปท่านหนนะถ้าเป็นท่าเขาต้นหอย่างเนี้ยเราก็จะต้องไปเนี้ยไปแบกหมูตาตาอยู่นนย บ, บนตึกกันก็ยแบกอย่างเงี้ยหลายคนนะอ่ะแต่มายกัเด็กเด็กเนะี้ยมานอนนอนที่รองฟางทุ่งนามองดูดาวดูเดือนเนะนี้ยดวงจันทร์ดวงเดือนท้องฟ้ อามาก็มอกที่เอามาเนี่ยแล้วแล้วเราจะไปยังไงแล้วเราจะไปยังไงมันมันทำไมมันวะอุ่ยเยชีวิตเนี่ยเหมือนที่อาตมาเคยเล่าเแต่ก่อนอาตมาก็ว่าคนมีฐานะเนี่ยก็เขาาสบายอาตมาก็เป็นเด็กเด็กเี่ยอยู่ข้างเขาเจอคนที่เขามีฐานะเขาไปซื้อของเขามีรถมีรถยนต์เขาไปรับซื้อของอาตมากขออนุญาต พออยากจะไปไปไปอยู่อยู่บ้านเท่านั้นแมามีแผนในใจงี้ยอยากไปดูว่าความสุกขมันอยู่ตรงไหนแล้วองทำไมจะได้หาถ้ามาก็ไปเขาก็พาเขาเองดูว่าจริงๆอะไรมาก็ไปมองไปสกักทีเของไม่ใช่พรไปดูจะเขาอยู่ในบ้านแล้วไม่ใช่ความทุกข์ที่เขาอยู่กันเขาขัดแย้งกันจะต้องมีปัญหายัางไงคงไม่ใช่ มันไม่ใช่ไม่ใช่เราแล้วไม่ไม่เอาแล้วแค่เราคิดใช่ไหมคิดเพราว่าเราจะทํำยังไงมันมันมนถึงจุดเนาะอันนี้เราคิดใหม่แล้วมันอะไรแล้วมันอะไรก็ถามโดยเองย่างเงี้ยมึงบอกว่าคิดไปเถอะไม่ใช่จริงที่เราท่านทั้งหลายเราเดินเดินเดินกันเนี่ยถามว่ากินอาหารแค่สุกแป๊เดียวมั้งหมดร้อนได้อาบน้าแป๊เดียวมันก็หมดมันเป็นอย่างนี้เราก็โขกหลอกมาตลอดขยันเรียนรู้ จบแล้จะสบายจบมาเลี้ยลูกมีงานทําเำจะสบายแต่งงานที่ลูกจะสบายมีลูกจะสบายลูกโตจะสบายลูกแต่งงานจสบายลูกถูกหลอกมาอย่างยาวนานใช่ไหมแต่คำว่าถูกหลองในที่นี้แปลว่าท่านก็แต้งที่ท่านนั้นนะเพราะท่านก็ถูกข้อมูลมาอย่างนี้ทิดกว่าเราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้ากรารู้ว่าแนวทางนันหลงทางนั้นยังไม่ใช่รู้ทานดับลูกยังสาววอน มันเป็นการแก้ทุกข์ได้เฉพาะหนานั้นเองแต่การดับทุกข์ได้ลังเท้าวอก็คือการได้อนุปาทาบริภิภารใช่ไหมแต่การจะเข้าถึงเส้นทางในการอานุปาตาบิภิาน์นั้นก็คือการเดินตามเองไปนะก็คือว่าการจะเดินตามทางนี้ได้การจะเข้าถึงคําสอนพุทธาได้ต้องศรัทธาท่านผู้เก่า แล้วต้องเห็นก่อนว่าท่านพุนยี่เป็นใครต้องไปศึกษาคุณดวงได้จริงๆเพราะในขณะที่เราเริ่มถึงคุณของท่านแล้วเป็นปัจจัยการบรรลุดได้ในที่ไดกลับทีนี้หลายท่านถามกันมาว่าอีเจริญวัตถคุณแล้วเป็นสติปัฏฐานยังไงใช่ไหมเออเป็นสติปัฏฐานยังไงเพราะว่ า, าสติปัฏฐานมีสี่ทนั้นคือกายานุปัส น, นาเจริญนุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมางนุปัสนาทั้งนั้นเนี่ยจะถามว่าเราจะเรียนสัมภาลวิบากศึกษาสัมภาลวิบากเนี่ย วิจัย่องคำภีต่างๆมีพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยเชิดเส้นทางการเป็นบังเกนบารมีของพ่อกรศาสนาเนี่ยมันจะเป็นสติปัฏฐานได้ไหมเนี่ยมันจะทําให้เส้นทางของเรานี่ยืดยาวไปไกลเป็นว่าหลายๆคนแปลกหน้าอย่างคนทั่วไปไม่เอาแล้วฟังคำพีที่อ่านเอาเองก็รู้เรื่องเนี้ยนะถามว่าในกรณีที่พูดมันถ้าถามว่าในขณะที่เจตนาก็ดีศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีดีที่ไปฟังรับคุณของพ่อกรมศาสดาตอนนั้นเป็นมหาบุญกิจตับาตใช่ไหม ถามว่าเมื่อป็นมหาสุญจิตวิบาทเกิดขึ้นเสร็จแล้วในขณะนั้นเนี่ยถามว่ามหาบุญจิตุิบาทนันอาศัยอะไรเป็นไปอยู่อาศัยรูปธรรมเป็นไปใช่ไหมเมื่อสาศัยรูปธรรมเป็นไปอยู่ก็เกี่ยวข้องกับ ร, รูปขันใช่ไหมทีนี้เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันแล้วก็วิแล้วก็สังขารเจตสิกเหลือเป็นสัญขาละขันแล้วก็จิตก็เป็นวิ ญ, ญญาณขันที่เราไปดูกายในเรื่องของสติญญวนะัา ว่ากายยานุปัสสนานั้นท่านแสดงรูกประการยยานุปัสสนติปทานมัมีความเพียรมีสติมีสมัมผัสยานมีพิจารณารนลูกประการเห็นไหเวท น, นานุปัสสนติปทานคือสติเป็นพิจารณาเวทนาขันติสติคือวิญญาณคือปัญญาเป็นต้นวิจารเวทน า, นาก็เป็นเวทนาขันติจิตตานุปัสสนติปทานเห็นไหมอันนั้นก็คือวิญญาณนะครับ ส่วนธรรมานุปัสสนานั้นก็คือสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์อ่ถ้าถามว่าใชสติปัฏฐานไหมเห็นั้มก็คือสติปัฏฐานทีนี้ในขณะที่ไปไขควรบอกว่าหรือจะเอามบวชในธรรมานุปัสสนาไมได้มัรวงประขันเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขาขันธ์แลก็วาในขณะที่มหาสุชนจิรุวะกำลังเป็นไปอยู่ในขณะนั้นะเวทนาเจติกเวทเวนาขันธ์สัญญาเจตเป็นสัญญาขันธ์ สังข า, เงงขารเจะิเป็นสังขารและขาวแล้วก็วิญญาณจิตก็เป็ น, น, น, นวิญญาณนะครับนามธรรมที่กาลังเป็นไปเจ็บเสเหล่านั้นเนี่ยเป็นอา ร, มรามาณปัจจัยแกสติแกสปปัญญาแกปัญญาเอในการที่ไปวิจัยทีนี้การวิจัยมันเจาะสักเรื่องหนึ่งนี่นะเจาะสักเรื่องหนึงน่งเนี่ยที่ดิงจะไม่พูดเจาะลบเนีน่ยก็เจะว่าเรจะเดินยังไงเราจะเดินยังไงใ น, นขณะที่เกิดกุศลกาลังเป็นไปกับการเจริญปาร่วมพุทธคุ ที่เราจะเจาะในการพิจรารณาท่้นคนในสูตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเดินตามสัมมาทิฏฐิสูตรก็ดีเดินตามสถิติฐานสูตรก็ดีเดินตามหมาจจะตารีสระสูตรเป็นต้นถ้าดูว่ารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จกักวิชชาทิฏฐิว่าเป็นวิชชาทิฏฐิความรู้ของเธอนนั้จึงเป็นสมมาทิที่จริงในสูตรมีอยู่ถ้ามาไม่ออกมาหยิบเนะี่ยถ้าหยิบแล้วยาว ไอ ม, มาดูเวลาแล้วเนี่ยก็หยิบปุ๊บเนี่ยปา ย, ยาวเลยอยเงี้ยเนี่ยปา ย, ยาวเลยคือพยายามเวลาที่มีจํากัดแล้วเราท่านทั้งหลายเนี่ยนานๆจะได้มาเจอทีเนี่ยบางทีอาจมาเก็บข้อมูลมาใช่ไหมก็พยายามจะมาย่อยว่าคือทอํายังไง ใ, ให้เข้าใจไ้ก่อนส่วนฐานในการที่จะไปเรียนกางเป็นสูตรปเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันบรรยากาศอย่างเงี้ยจับจับประเด็นให้ให้ในรายละเอียดทั้งสูตรเล ย, เยอันนี้ก็ออกเรื่องที่ค่อนข้าง มันใช้เวลาลทีนี้มันก็ต้องอีกอกอีนบรรยากาศนี่ก็คือว่าในขณะที่ที่ปัญญาไปวิจัยพิจารณาถามว่าตอนนั้นน่ะสติถามว่าสติปารบอะไรสติในการที่ไปปรารบรูปเวทนาปัญญาทัา้งหลายาถามว่าตอนนั้นปาลบศรัทธาปารบเจตนาปารบปัญญาเป็นต้นหรือปารบกลุ่ม ง, งานมาทำทั้งหลายที่กันลังปารบคนหลวงพ่อเจ้าซึ่งเป็นปราโมดปีดีและประเสริฐีและบางสุดอ นันสติที่กาตามระลึกไข้พวนไปนั้นเนี่ยตามระลึกเพื่ออะไรสตินะตามระลึกเพื่อจะละนิจฉาทิถิเพื่อจะบรรลุสัมมาทิฏฐิเนะเพื่อจะเข้าถึงส ม, มาทิจฐิเนะียสติที่ตามระลึกเนี่ยเพราะในสังสารวัฏที่ผ่านมาหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นตรงนี้เลคือไม่เคยเข้าใจในภพเนี้ยไม่เคยเข้าใจเราเข้าใจผิดมาอย่างยามนาด้วยเราเป็นผู้พิจารณาพืทธวุน ถ้าจริงไม่ใช่เราเป็นพวกพิจารณาพุทธพุทธคุณนะแท้ทีจริงตอนนี้ศรัทธามีอาหารมีปัจจัยปารบพุทธคุณพอได้ความรู้ได้ข้อมูลปัญญาได้อาหารได้ปัจจัยก็กําลังวิจัยพุทธคุณใช่ไหมเจตนาในความตั้งมั่นในการที่ในการทํากรรมทั้งหลายก็เป็นการปราลบพุทธคุณอยู่กรมนามประชามทั้งหลายที่มีสัตตินีเป็นประธานบ้างปัญญาเป็นประธานบ้างก็เลยกําลังปารบพุทธคุณกันไปอยู่ฉะนั้น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 มิจฉาทิฏฐิก็ถูกละทายไปด้วยความด้วยความที่ปัญญาเปไปวิจัยแล้วในขณะเดียวกันสติก็ตามระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิจิตวิริยะก็เข้าไปเพียนพยายามเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะบรรลุสมาธิจิตนั้นปัญญาเหล่นั้นเป็นสมาธิจิตสติเหล่นั้นเป็นสมมาสติและความเพียรเ่านั้นก็เป็นสมาวหยเขาขัดเกลากป็นอย่างนี้เขาขัดเกลาอย่างนี้ ฉะนั้นในกรณีขัดเราขัดเราการไปการกา ร, การดําเนินในการเจริญไปในลักษณะนีนน้ถามว่าพอไหมจะพอได้ยังไงใช่ไหมความจำดิดเรายังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกยังไงเลยมันก็ต้องให้ควรความจำดิในการะระลึกถึงจำดิถึงคน ว, ว่าจาดิหนีจำดิในลนักษณะนี้เป็นสมาธิที่ดีก็จ ะ, ะละการจำดิผิดคือจำดิที่เป็นวิชาที่ดีตัวปัญญาเนี่ยแหละไปวิจัยไปห้อมล้อม ไปห้อมล้อมสมมาทิี่เร็ไอ้มมิสัมสามาสมปะเอาไว้ในการตรั้มดิเพราะสาัมมาสมปะนีเป็นตัวตรองเป็นตัวตรกใช่ไหมท้านอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับกรณีที่ใช้มือเนี่ยจับเหรียญแล้วก็ค่อยพลิกซ้ายแม้พลิกเป็นเหทั้งล้นบางทั้งแหวกบางป็นนอัี้ปัญญาก็เหมือนกับการเข้าใจว่า้ดีลน้นดีแหลเไอ้ตัวไปพลิกกลับไปกลับมาเป็นตฉะนั้นกรณีที่ไปพลิกนี่มัน ทีนี้ถามบอกว่าปัญญาต้องเข้าไปวิจัยวิริยะต้องเข้าไปไปพยายามในการที่เจริญและก็สัมมาสติเป็นต้นก็ต้องเดินในการที่ตามประลึกในการที่เจริญวิชาสมาปะเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาปะนั้นถ้าหากว่าเข้าไปวิจัยในระดับนรู้จักวิชาสมปะว่าเป็นวิจาสมปะรู้จักสัมมาสมปะว่าเป็นสัมมาสมปะแล้วก็อันนี้จึงจะเป็นสมาทิฏฐิรู้จักว่าวิจาสมปะเพียรพยายามเจริญวิจาสมปะ เพียรพยายามในการเดียวเข้าถึงสมาธิสัมปะความเพียนรนี้จึงจะเป็นสมาวิมารมีสติในการที่จะลึกในการจะละมิชฉาสัมปะมีสติตามลึกก็จะเข้าถึงสมาธิสัมปะการลึก อ, อย่างนี้จึงจะเป็นสมาสติถามเรื่อลึกในการวิจัยในวิจัยพรทคุณหรือวิ จ, จัยจิตที่เป็นร่างรลึกถึงพุทธคุณทำอย่างนี้ถึงจะละพวกมิจฉามากทั้งหลายเป็นต้นถามว่าแล้วเคยสาจะใหญ่ย ศา Bem Leben. สยายหถูกไหมเป็นสัมมาวาจาหรือเป็นมิจฉาวาจาถ้าศาธยาได่อุญสนเป็นมิจฉาวาจาเนีเพราะโดนขับเคลื่อนด้วยบุญสวนเช่นหลว่าู่เนี่ยศาสนาไปแล้วเราจะได้ลาศับสาธยาสนไปแล้วโอ้โหเนี่ยนะชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมมีคนย่องย่องเสนาสนี้จิตที่คิดเพื่อเป็นปัจจัยในการสาธยาตีนั้นเป็นบาปไม่ตรงไม่ตรงเนี่ย เพราะไม่ตรง น, นี้ น, นี่ต้องละวิชาวาจาวิชาวาจานั้นคือมูลรากที่เป็นปัจจัยของการกลา่าวไม่ดทั้งหลายที่ความปัญญาที่เขาเ้าไปวิจัยรู้นี่เป็นวิชาวาจานี่เป็นสมาวาจาความเพียรในการที่จะบรรลุสมมาวาจาแล้วก็ละวิชาวาจาอันนี้เป็นสมาวะไะสติที่ไปตามไปลึกใช่มเพื่อจะละวิชาวาจาแล้วเข้าถึงสมอันนี้คือสมาสติ ก็ไปแว่ล้องสมมาวาจาไปขัดกล่าวสมมาวาจาไปส่งเสริมสมสสมาวจาหรือร ก, ก็เพื่อทําสมาวาจาที่ไปโลงย้ายไปลงเพื่อทําสมากำตรที่ไปลงย้ายไปไล่ไปทีบบนี้นี่ยาวในทวารีาานี้แ่นี่พูดพอเป็นหลักอีกอยูว่าถามว่านีจเจริญได้ไหมถ้าจเจริญอย่างนี้เราจะไปจะเจริญตรงไหนจะเจริญตรงไหนถึงบอกว่าเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยการหาที่ไว้ทีหลัง ความเข้าใจแล้วเนี่ยท่านบอกว่ายืนก็เจริญพุทธคุณได้เดินก็เจริญพุทธคุณได้นั่งก็เจริญพุทธคุณได้นอนก็เจริญพุทธคุณได้แต่นอนเจินบ่อข้าใจไหมว่นอนนี่เราคุ้นเคยไม่เคยน่าไว้ใจหรอกเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์อาจารย์มาทีไมนอนเจริญก็เกิดครับชั้นเองผมเองนอนเจริญพุทธคุทุกวันแต่มาจะฟังอยู่ขึ้นเดียวแค่ยังบอกว่า จะฟังดีขึ้นเออเชื่อเชื่อขึ้นเอาว่าเดิมากล้ใช่มดมากเตลเพราะยาหมนอนมีเกลือปูตอดการหลับใจนด้ดีมากนั่งนี่ไม่ค่อยเลือเดินไม่ไม่ค่อยเกิืยืนได้แล้วียืนกรเดินนี่หลับไมยแต่นั่งกันนอนนอนนอนดีเพราการชันี่ตรงนี้นะฉะนั้นาพิจารณาในรัตน์อย่างนี้ก็แปลว่านี้คือคือร่องรอยอการที่จะเดินแต่จะไม่เก็บรายละเอียดไปเลยเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปเก็บเลยเดี๋ยวจะไม่ไม่ ในเจต้องการวิจัยบอาว่าเป็นปฏิจั์เป็นปฏิจั์ในการที่จะเดินในกรณีอการเป็นปฏิจั์ในเจตนาเจตที่ในมาสุส่จิตป่าในเคสังขารเหตุของสังขารเหตุของเหตุของสังขารก็คืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารอวิชาปัจจยาสังขารเห็นไมอเมแต่ขณะที่เราท่านทั้งหลายกำลังเจริญวัตถคุณอยู่ กุศลจิตวิบากที่เป็นไปในการเจริญ พ, พุทธคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจตนาทั้งหลายที่ป์ารวบไปคุณของพระบระมศ า, ศาสดาเป็นต้นเป็นไปอยู่แม้เจตนาแบบนั้นก็มันยังไม่รอดพ้นจากคายของผลของอาวุธชาถามว่าในขณะที่เป็นมหาบุตรสวนไว้ใจได้ให้ผลแข็งขันไหมให้ผลแก่ขันให้ผลแก่รูปประคันไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ยาวมีวิบากเป็นผลมีวิบากเป็นกําไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมหาบุศลให้ผลเป็นความสุขเป็นความทุกข์ ให้ผลเป็นสุขใช่ไหมจะเป็นมนุษย์ะเดียวดใจใช่ไหมถามว่าได้แต่สุขอย่างเดียวนะให้ความเกิดไม่ได้ไหมให้ชาติที่ท <c oughs in heart> okay. ุกเนาะให้ชาลาทุกไหมพยายามททุกวรณาทุกโอกาสวันนี้เดียวทุกกระโงมน่าจะถูกกว่าที่ความเกิดขึ้นเหตุการณทุกแท้แท้ทั้งมวลมีได้เรื่องกันอย่างนี้เพื่อนถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วให้ผลแก่ความสุขแท้หมายถึงสุขติทธภพเท่านั้นเองแต่ก็คืให้ทุกขสัต์ ให้ทุกขสัตว์เห็นไ้มเจตนาในอดีตนี่แหละให้ทุกขสัตว์เห็นไห ม, หหไหมคือบวกกับตัณหาบวกกับอวิชชาเขาจึงบอกว่าตัณหาเป็นสมถียาสัจะใหใ้ไหมให้อุปาทานขันหา้าคือรูปเวทนาจัาญญาสงฆ์มียาในปัจจุบันนี้เราก็มาแบบทุกขสัตว์ท่องเที่ยวเป็นไปอยู่วันนี้สมัยที่เราไม่ได้ศึกษาวัฒน์เราก็แต่งทุกขสัตย์ แล้วก็ไปบอกว่าเป็นยังไงทุกข์สัตว์ของเรางามใช่ั้มคนเห็นทุกข์สัตว์ในความเป็นของงามเขาเป็นวิปริตมรณาจิตการโอ้โหเห็นเมื่อไรเมื่อไรก็ยังงามอยู่เขาเห็นทุกข์สัตว์ในความเป็นของเที่ยงเขาก็นวิปริตมรณาจิตการโอ้โหเขาควรที่มีความสุขเขาไปเห็นทุกข์สัตว์ในความเป็นสุขก็เป็นวิปริตมนณาจิตการโอ้โหใช่ไหมมีลูกเรานีอะไรตาเราหูเราจมูกเราเขาไปเห็นทุกข์สัตว์ในความเป็น เขาพิปริรมนาสิการนี่ไหมสัจจะคือความจริงเป็นทุกข์แต่ผุ้ดูชนไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงอันนี้เมื่อไม่เห็นความจริงอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีทุกข์เป็นไปนเรื่อยนะ ห, หน้าแล้วเจ้าเขามีทุกข์เป็นไปเรื่อยหน้าแล้วแล้วเขาออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเขายินดีพอใจในทุกข์ คุกตัวนี้ไอ้คำว่านิโรธาโรธาไอ้ที่เราคุบเนี่ยอีกสัพท์นึ่งานี่ยนิคือคนเนี้ยนิโรธาดีเกินคนจับคุกนี่ยฉะนั้นตัวทุกข์ขันธ์นี้เป็นตัวตาหูจมูกกายใจเพื่อคือการติดคุกมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเราพูดว่ามันเป็นโทษอย่างนี้นมันเป็นคุกนะอีกท่านยังบอกว่าถามบอกว่า ก็ท่านจะให้ผมศึกษาให้เอากุญแจเอากุญแจไปไขกุญแ จ, จออกจากพคกก็ผมไม่เห็นว่ามันเป็นโคกนผมจะไขเอาซิเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นว่าเป็นโคกเขาจะได้ไขออกทำไมเขาเห็นว่าถ้าเขาออกจากตรงนี้ต่างหา ก, ากมันเป็นโคกแกเขานี่ไงเขาเห็นว่าวัตตานะั่นมันดีสำหรับเขาไปซะแล้ว คนออกจากคุกไม่ได้แล้วความคิดนี้น่ากลัวน่ากลัวมากต่อไปจะพัฒนาลงไปเรื่อยถ้าไม่รีบถอนความคิดหรือไม่รีบให้ข้อมูลคําสอนของพระเจ้าให้ชัดนะในที่จริจริงๆเขาออก็ออกไงแหละเมื่อออกไม่ไดีเสียหายเลยแล้วสัตว์ที่เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่สิบไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่ร้านมากมากกว่านี้เยอะ ไม่ใช่ปุกฉะนั้นตรงนี้ที่บอกว่าเจตนาเจตสิกที่ในมหาปุชสนจีวบาตชื่อว่าสังขารใช่ไหมสังขารนั้นเป็นผลของอวิชาสังขารเดียววิชาเป็นปัจจัยก็ไ้ อ, นนอย่างนี้ปฏิจจารใช่ไหอันนี้ก็เรียกว่าปฏิจจารสายุโลมมีสายุโลมแล้วก็จะเห็นความเป็นไปของปฏิจจารแล้วประการต่อมาก็คือว่าวิญญาณวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามโลก ย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายญาณะย่อมมีว่านาำรูปเป็นปัจจัยภาษาย่อมมีเพราะสลายญาณะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยพบมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติย่อมมีเพราะพบเป็นปัจจัยชราปรณะโสกามริเดวะทุกขโทมนัสาอุปาญาตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยนี่เขาเรียกสายอนุโลมเห็นไหมว่านี้คือมหาบุตรสนจิรุบาที่ปารลพุทธคุณ ทีนี้ถ้าจะค่อยๆไล่ไปเ น, นี่ยเวลามันต้องใช้เยอใช่ไหมอมาวะก็เลยต้องรีเดินรู้ปไปเนนะี่ยเข้าใจยช่ไหมว่าหนึ่งให้เขาจจ้าใจสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ไปไปทําการบ้านกันต่อในการที่ไปไขครัวเพราะเวลาของเราต่างคนก็เหลือน้อยเหลือน้อยแล้วที่เราจะออกจากภัาตาเนี่ยนะหมายความว่าพบเนี่ยเวลาช่างมากท่านทั้งหลายอย่าเพิ่มเลย ถ้ามันเกิดความเพลิดเพลินเมื่อไรแปลว่านั่นเป็ประมาทเก่งมากแล้วเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้เลยลบไม่ใจมีขาด น, น้าวินาทีเนี่ยนะเพราถ้ามันสั้นมากการศึกษาทุกครัง้งทุกคําสอนของพุทธเจ้าต้อ ง, ต, อ ง, ต, องนะต้องใช้ให้ไดต้องใช้ให้ไดต้องวิจัยให้ไดต้องมาเป็นปัจจัยในการไขขวนแล้วก็จากสุตาตานต้องเป็นจินตานจากจินตานต้องเป็นพรานายเกิดนะี่ท่ะนเสียหายมาะท่านแยกแล้วการเรียนจะแยกแล้ว คุณเรียนอะไรนาแต่เนี่ยคุณจะกลับไปถามแลมันไม่ใช่เรียนเพ่ความเพลิดพินเพื่ความสนุกสนานหรือไม่ใช่โอ้โหคำสอนพุทธเจ้าที่อาจารย์แท้อาจารย์แย่กลับมาก็ไปเที่ยวสนุกสนานพอไปเที่ยวเนี่ยที่โอ้ลึกซึ้งจริงจริงลึกซึ้งจริงจกลับไปก็ไปเที่ยวองเดียวอันนันคุณผิดพาดเลยคุณผิดพาดไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลาลยเราไม่ใช่เรียนต่อรองกับพยามารใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จะไปต่อรองกับยมบาลบอกเราเรียนแล้วเราเรียนแล้ว คนจะจ้องเรามากไม่ใช่เราเรียนต้องการนี้จะขัดเราต้องการที่จะละลาค า, มมาุสัมโมหะใช่ไหมที่เราจะเดินทางอะไรรู้ว่าไปโพธิอย่างยางดก็สร้างเอาไว้แม้แต่สัมมาสัมโพธิโพธิสัตวท่านยังไม่ประมาทเลยง แ, แม้ท่านคิดว่าอีกตั้งยี่สิประสงค์ขายท่านยังไม่ประมาทเลยเห็นไหมท่านคิดว่าอีกตั้งยี่สิประสงค์ขายท่านถึงจะได้ตรัสรู้ว่าพอท่าน เห็นโทษของราคะท่านก็นสลับเป็นหลังเนี้ยต้องดูเส้นทางของท่านว่าท่านเดินแบบนี้แล้วก็ใช่มาเทียบเทียม ว, ว่าเดินอย่างรองพอจะได้มาระโกงไหมใช่ไหมมันจะได้มาระโงไหมแต่ต้องเอาเป็นสัมมากก ม, มาระยมั้งไม่ใช่เอาวิชามะใช่ไหมเพราะเราต้องการละวิฉามะต้องจเจริญสัมมากก ม, มาระยมั้งก็จะปักเป็อนุบนาตารีพิภานแต่ถ้าถามว่าจะทำแค่นี้ยเพียงพอไหม อย่าลืมนะว่าท่านทั้งหลายที่มานั่งร่นร่มกันอยู่ที่ไปเกี่ยวข้องโดยฐานะเป็นสามีภรรยาูุถุตายาพวกีเเพื่น อ, อนูกช่วยกันเนเกี่ยวข้องโดยฐานะกรรมผักดัไงไม้เจอแล้วก็อยู่ในฐานะที่ต้องเกิดอุูมเป็นฐานะหนึ่งๆเท่า น, นั้นเองแต่เวลาท่านทั้งหลายไปเกิด เ, เป็นเปรตอุกกาศสาดชาสาัว์แท่านอั น, นั้นก็หมดสิทธิ์จะช่วย ช่ยไม่ไจะเป็นคนี่การบ้าไร้หัวด้วยเขาก็ให้เราบริจาคฐานานั้นเลยนะแต่กรรมของเราของท่านทั้งหลายที่เราไม่องนั้นที่มันจะขับเื่อนขังจันเจตนาที่ตั้งมั่นในคุณของพระาราชน้ายใยเ็นต้นตนั้นแี่พระ พ, าาะะะพุทธเจ้ทเ า, าทั้นนั้นจะกำจัดภัยกับเราด้งยานยเต้นนะ้าไม่่านไม่พระปรมาศรีลาวะาาธรรมหรือปะะ่าญาสง์นะจะเป็นเจตนาเ็นที่ขึ้นเป็นแค่กจัดภัรเราไม่ได้ใช่ไ นั้นตรงใครคนนี้ทีนี้เรามาพิจารณาในลักษณะที่เราจะเห็นบอกว่าเจตนาอาวิชชาสังขารวิญญาณรูปสายเจตนาภาษาเวทนาตันหาวะทางภาวะแล้วก็ชาติชาลามรารณะป็นตเหบ่านี้เห็นไหมว่าเป็นไปในลักษณะที่ว่าปฏิจรรย์สายอารมณ์ก็เป็นไปอย่างนี้แม้แต่การเจริญพุทธคุณต้องคึงระวังในเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยจะลืมนะ ว, ว่า ในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเคยเจริญพุทธคุณมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเจริญเราเคยแ ต, ตดถามพระไตรปิฎกมาแล้วอย่างที่พูดเคยเป็นอาจารย์ใหญ่รตนาคำพีมาแล้วในพระพุทธเจ้าในหลายองค์แต่พราะโทษของการที่เราประมาทมัวมาเราจึงออกจากวัฏจักรเนี่ยเราเคยเป็นยาติจบวันนี้ปุเคยเป็นนายศาสตร์พิตเตอร์มาเรียรบร้อยเสร็อะไรที่ไม่เคยเป็นไม่มีนีต่ต้องตั้งธงตรงนี้ให้ชัดของที่เรามานั่งเรียนกันมานั่งฟังวันนี้คือเรื่องเดิม เรื่องเก่าแต่ถูกทัดผมจากภบชาติทั้งหลายต่างๆเรื่องเราก็ลืมสนิทกันเลยเนี่ยนะควรจะมาฟื้นความเข้าใจอะไรได้เนี่ยยากไม่ง่ายเลยเนี่ยนะแต่ให้รู้ว่าจริงๆว่าบาปเจตนาแต่ว่าแม้กุศลที่กำลังเกิดขึ้นปารถุถุตุลเจตนาที่กําลังเป็นไปอยู่กุศลจิตวิบากําลังเป็นไปอยู่เนี่ยเจตนาเป็นปัจจัยสังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแห่งนาม นามลูกเป็นปจัจจัยอาญานะอนาณาเป็นปจัจจัยภาษาเป็นปัจจัยเวยนถามว่าบางท่านกระหลึข้อเวนานาทัาตันหาก็ตามเห็นไหมมันก็เกิดอยู่แค่ตรงนั้นแหะมันก็ไปไม่ได้พอตันหาเกิดอุปาทานก็ตแล้วประทังกรรมอะเพื่อป่าทนาัแล้วก็ชาติเห็นไมาชาติทุกข์กระยำลงอีกแล้ชวชราทุกข์ระยำลงบรณะท ความสศกความน้ำลายละมันมันก็ออกจากวัตถาไม่ได้เห็นไหมออกจากวัตถาไม่ได้เพราะเราเป็นเจริญพุทธคุณสายเกิดไม่ได้เจริญพุทธคุณสายดับอวิชชาใช่ไหมนี่ขั้นเดินผิดเหมือนเราไปเรียนว่าทําเนี่ยมันก็เรียนวัฒธรรมาสายเกิดกันเยอะแยะหมดแล้วมันต้องน้อมในการที่จะเรียนสายดับเยอะแยะต้องรู้ทัานสองสายนั่นแหละแต่การรู้สสายเราจะได้รู้เหตุเกิด แล้วยังรู้เห็นในการที่จะดับเป็นต้นอะไเนี่ยถ้าสายดับถามว่าถ้าปัญญาเจตสิกเป็นประธานเนี่ยเพราะปัญญาเนี่ยเป็นสภาวะที่รู้เห็นสภาวะเราความเป็จริงด้วยใช่ไหมเพราะปัญญาเกิดขึ้นในกุศมลมาวุ่นจิตุปาเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในการเจริญจริงเอาตัเนี้ยถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในการเจริญจริงมันจะเริ่มต้นจากการไถ่ควอในที่รแขขรกไถ่ควรอะไร ให้ควรเป็นสมาธิทิฏหรือวิชฉาทิฏฐิมันให้ควรในการที่จะละลายละวิจชาทีิฏฐิพราะคุณสมาธิทิติความรู้ของท่านเหล่านั้นจึงจะเป็นสมาธิเข้าใจพุทธคุณถูกด้วยว่าพุทธคุณต่างๆเหล่านี้คืออัตถะของพุทธคุณสภาวะของพุทธะคืออะไรรู้ทั้งปัญญเรื่องราวความเป็นมาอย่างอยนะ่างนานไม่ว่าเริ่มตั้งแต่แตนายมานุษนุ่ง น, นะที่มานุษมุ่งแบบมาจดาข้ามมหาสมุทร ก่อน20สประสงค์ ข, ขายยิ่งเง่แสนกับแล้วต่อมาสุดท้าว่าตระพรมนันไปตรวจดูในพรหมโลกเหมพรมโลกเนี่ยตอนนี้ในภาานาคารู้สึกจะร้อยหอยอล่อลงประชากรเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะนะเข้าจะเข้าโอ้โหหาบุดุจใจเพชรในการจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองมีอยู่ไม่มากไม่น้อยเลยเพิ่มสักหนึ่ ง, ง, นะ น, น, งนี่นะจนวนี้นะใกรณีที่ท่านจะสร้างเหตุปัจจัยในการนีถามบอกว่าท่าน บ, บางคนเนชื่อขนาดว่าโดนใจเลยยังผิด เทวดาโดโนใจแล้วินชิดผิดเลยก็เ็คบางทีเทวดาดนใจปราถนาจะให้สร้างบารมียิ่งใหญ่ก็ไปสร้างเหมือนกันเพราการให้สร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระเจ้าแต่ไปสร้างบารมีเพื่อไปสร้างบารมีโดยเองนะนั <c oughs> ้นก็มีนะไังใช่ไมมีนะบงคนเนี่ยโอ้ยมีเทวดาเกี่ยวข้องเอยอะแยะหมดใช่สัตว์ไอ้นี่เทวดาที่มีสัตว์ใหญ่มาอยู่ใกล้ชนะิดเนี่ย้าเลยสร้างบารมีไม่ถูกเพราะขาดขาดการศึกษาพระธรรมอาชัน ก็เลยสร้างผิดๆด้วยบุญเทวดาก็หนุนอยู่ไหมหนุนก้าหนุนก้าเทวดาที่เป็นสมาชิกดีโอไมเอาอะไนี่ตอนนี้ไปเทวดาที่เป็นพิจารณิติก็ได้ช่องเข้ามาเกื่อหนุนต่อโอหจะทิ้มาลาสาระเยอะแยะไปเลยเข้าใจไ่มไม่รู้ใครเข้าใจเจตนาหรือเป่าคือนั่นแหละเอาว่าอาลามามีเจตนาเพื่อให้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยเจตนาของเทวดาบางดี แค่ด้วยการที่ท่านคูนั้นอธิยาสายไม่ถึงก็ผิดหักเยอะแยะหมดฉังเทวราบนใจนีท่านท่านเป็นอุปนิสัยประจัยแต่บางท่านก็ได้ท่านแต่ท่านนี้นผู้ดีจ้าของเราเนี่ยเราเป็นภูมิมุ่งมันมาในกรณีอย่างนี้นะเมื่อเมื่อปัญญาต่างเกิดขึ้นในมหาปัจจิตว่าเป็นประธานเป็นต้นศรัทธาเป็นประธานเป็นต้นเจรนาแต่ปัญญาเป็นประธาน เมื่อปัญญาไปพิจารณาใครควรพิจราจรณาก็เห็นอาธยาเห็นสภาวะร่วงราวความเป็นมาและเข้าใจนี้คือสภาพเนี้ยเหมือนอะไรสภาพของปัญญาที่มีความท้ายสัพพัตญาณเดี๋ยวขอไปไม่ใช่ครัค้ายปกเพรนิวาสานุสติญาณคำว่าค้ายปกเพรนิวาสานุสติญาณว่าปกเพรนิวาสานุสติญาณว่กเพราสญาณที่เป็นไปกับสติที่ตามนึกถึงกระแสะของขันธ์ธาติจารณาของตนเองไนดะ้ในสัสาวัา ทีนีการอัเลือกถึงชาตินะนตนเนี่ยนะในอดีตของตนเองนั้นเราเลือกถึงชื่อได้ถึงโคตถึงตระกูลถึงญาติพี่น้องถึงสถานะรายละเอียดได้หมดแต่ที่รายละเอียดไปกว่า น, นั้นก็คือว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณของพอระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านสามารถไปตามเลือดเข็นกระแสของขันธ์ธไร่างนี้แต่นเท่านัานน้ น, ท, น, นที่กําลังดำเนินเป็นไปอยู่เราจะเห็นว่าวิปัสสนาญาณของพอระโพธิสัตว์กว้างขวางมากกว้างขวางมากวิปัสสนาญาณของท่านนั้นมี ปกเทนิวาสาทุสติญาณซึ่งเป็นอภินญาเป็นการป็นตัวนําล่องในการเกิดนําทางให้ท่นานพอวิปัสสนาญาพออภินยาเป็นตัวนําล่องระลึกหนึ่งขนาดจิตต่อมาที่เป็นมหาคุโศลจิตญาณและสมบัติยศของท่านที่ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่มีปัญญาเป็นประธานที่ตามระลึกถึงกระแสขันตามล่องรอยของอภิญญากาหนดขอบเขียนไว้ให้เบ็ดเสร็จอย่างหาประมาณนี้ได้นั่นเนี่ย สภาพของปัญญาบุรียศสติสมาทิฏปัญญาปัญจนของท่านแบบนั้นนะเนกระแสของบุรียศสติแล้ววิสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสมาสติของท่านเนี่ยที่ตามหรือกลุ่มนามาทําทั้งหลายที่เป็นไปก็สงที่มีกัญญาเป็นไปได้ที่ตามเลยลึกถึงกระแสขันเห็นในความเป็นสัตว์บุคคลด้วยเห็นด้วยความเป็นนามรูปเป็นไปเป็นไปในสังแล้วว่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ว่าท่านไม่ล้มหลงเลย แม้ระลึกเท่าไหร่ความรุ่มหลงก็ไม่เกิดเพราะท่านระลึกเป็นไปกับวิปัสนาญาณที่ชัดเจนแล้วไม่ใช่อย่างเดียราถีนีคนนึงหลายยิ่งระลึกก็ยิ่งระลึกสี่สิบกลับได้ก็มืเดเหตุผลยิ่งมืดเพราะไม่มีวิปัสนาปัญญาเป็นตัวเคลื่อนหรือเป็นปัจจัยหรือสมิธุทธทรมเกิดร่วมทนี้พระโพธิสัตว์ไม่ใช่สาวกของพระเจ้าไม่ใช่ถึงจะแม้จะเป็น บุคคลยังเป็นบุรุษชนอยู่ในขณะนั้นแต่ท่านชำนาญทั้งสมถาวิปัสนาในี่้องแท้เวลาท่านได้ภูเพจนิีพานประติาสารนิตยานที่ยังเป็นบุรุษชนอยู่ท่านก็ระลเห็นกระแสของขันธ์ธาตุยแต่หน้าด้วยแล้วก็เห็นในความเป็นสัตว์บุคคลเป็นต้นด้วยเห็นในความเป็นชื่อเป็นตระกูลเป็นข้อเป็นต้นด้วยยังหาที่สุดไม่ได้ด้วยแล้วท่านก็ไม่หลงในปรมาจารย์เห็นไหมวิปัสนาเนี่ยท่านทั้งการวารูก่อนาม รากอุปมาเหมือนลูกกัใช่ไได้จเจาะกระป๋อไข่ฟองแรกความมืดหายวสมสว่างก็ปรากฏใช่ไหมอวิชาในอดีตสถาพได้ทำลายแล้วในปกุกเพนิวาสานสติยาวิชาแสงสว่างปัญญาได้เกิดขึ้นเห็นมนั่นเกิดตอนไห น, เ ก, ก น, าา น, นเกิดปุเพนาามมิวาสานั่นเป็นวิปัสสนาญามนเป็นทีนี้ แล้วก็มาดูว่าฉันพเพราะปัญญาเจตสิกในมาขปัจจุบันจิตป่าที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นวิชาเกิดเมื่อวิชาเกิดปัจวิชาก็เห็นไหมท่านบอกว่าสัมมาถถทิฏฐิเนี่ยท่านต้องเป็นละวิชาทิฏฐิเปละอวิชาก็จะทําวิชาให้เกิดขึ้นสัมมาวายามะต้องเพียงละวิชาทิฏฐิเพียงที่จะเพียงญาติละโมหะก็จะเข้าถึงสัมมาถถทิฏฐิสัมมาสติก็ต้องตามลึกในการที่จะละวิชาทิฏฐิ ก็จะเข้าถึงสมาธิแล้วก็ตามระนึกไปเจร่าอวิชชาไปดิถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามหาปัจจิตบาปเกิดขึ้นอย่างนี้วิชชาควบคกมเมื่อวิชาเกิดอวิชชาก็จะจะดับเปลียบจะทางท้าประหารก็จะอัธยาศัยนี่นัในสติจริงนั่นแหละก็จะเป็นปัจจัยในการดับอย่างท้าววัดเมื่อสังขารดับนี้นะสังขารย่อมดับเพราะวิชาดับ วิญญาณดับเพราะขาสังขารดับนามรูกเพราะวิญญาณดับสรายตนะดับเพราะนามรูปดับหัดดับเพราะสรายจนะดับเวทนาดับเพราะปัสสาะดับตัณหาเพราะเวทนาดับอกาจานดับเพราะตัณหาดับเพราะอกาทานดับชาติย่อมดับเพราะอกาทานดับถ้าชาติดำแล้วชรามันะ่าโศกับววัตถุรรนั้นดับการดับเหว่าจะทุกข์จะมีได้ในสายนี้ใช่ถามว่าการทำท้าวาหารเป็นปัจจัยแก่สมุเฉท้าวหารไหม ปัญหาของเราแลนทั้งหลายเนี่ยแตทางการมหาลัยมันไม่เกิดที่เกิดแล้วมันไม่เกิดอย่างต่อเนื่องในหลายท่านนะอาจเคเกิดแต่ไม่ต่อเนื่องพราะไม่ได้ร้าอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้ร้งเป็นระบบไม่ได้รั้าเป็นหลักการอย่างนี้นะะถามว่าอวิชญารู้กว้างขวางไหมไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในขันท่าพยาธินาที่เป็นอดีตไม่รู้ในขันท่าพยาธินาที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันท่าพยาธินาที่เป็นปัจจุบัน ไม่รู้ปฏิจจุบานไม่รู้อริ ย, ยสัจีทุกขโมทารทิยลดังนั้นปัญญาต้องกว้างกว่าต้องกว้างกว่าอาวิชชาอย่าไปเจริญปัญญาให้แคบกว่าอาวิชชาอดีตอวิชาาวชาปิดหมดปัญญาต้องเข้าไปถลกครอบมือทั้อดีตนะครับในกระทำของพระพุทเจ้าท่าอนอย่นี้พ อ, อยามองเห็นใช่ไหว่าฉะนั้นแนวาทางในการอย่างดูสูส่ขานธอริยณะอินทร์ปฏิจจ์เป็นต้นเหล่านี้ อันนี้เป็นแนวทางการปพิจารณญาณนดยความเป็นขันมะเลยนเป็นไปตามนั้นแหละ